อ่าไงหมอคชาวลางงานมาขอรับเลยแล้ว <Yeah. S 2> ครับพี่สาวพี่พี่มากับพุนจางครับผมยังอยู่ที่เดิมอยู่ยยที่อังทองมาเดิมขอรับอ่าครับเป็นยังไงสบายดีไหมก็ตามบาดต า, าพกับท่านจางครับผมครับมีทุลอะไรหรือเปล่าอ๋ม่ไมมีครับคิดถึงครับขุนจาครับผมก็ได้ดูทางเฟซบุ๊กอยู่ครับผมอ่า เดี๋ยวนี้ได้มีการถ่ายทอสดสดวันนี้ลางงานนะค ร, ครแล้วตอนนี้ภรรยาหรือแฟนก็ยังเรียกทุกษัอยู่ที่แคนาดาครับอืแล้วก็ตึกบ้างนะครับอาจารย์ที่นุ่นแคนาดาเขาก็มีไมโครเน็ตนะครับอาจารย์อก็จะมีแบบของของพุทนะฮะแต่ว่าฝรั่งเขาก็อาจจะไม่ได้คือบางคนเขาก็ไม่ได้ รูเออ้เรื่องศีลแล้วก็สมาธิปัญญาครับก็คือฝึก ส, สติเป็นละครับออครับเราต้องการใช้การฝึกสมาธิมาบำบัดความทุกข์ทางร่างกายและทางจิตใจวันนี้ก็มีการวิจัยว่าออความเครียดนี้มันเป็นผลกระทบต่อน่างกายแล้วการนั่งสมาธิก็ช่วยบรรเทาความเครียดได้ เรวก็ทำให้ใจสบายเขาต้องการเพลงตรงนั้นอแต่เรื่องสีเรื่องอะไรเขาก็ยังไม่ได้ความสำคัญเท่าทีค่ควรยังทำเพื่อกิเลสอยู่ครับก็แต่ก็มีบางบางเซ็นเตอร์เขาก็นำหลักการของพุทธมาใช้จริงๆนะฮะที่เป็นสายของนําูชาครับผ ม, มเขาก็เอาทางก็จะเอามาคบ ทั้งสี่สมาธิและปัญญาครับแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยเน้นอภิิหารนะฮะส่วนใหญ่เขาจะเน้นนะครับว่าแบบเอ่อเรื่องเรื่องอแก่นเลยครับอาจารย์ก็อภิญหารที่แท้จริงก็คือแก่นศาสนาเลยนะครับเป็นอภิญหารเป็นปาฏิหารเหนือกว่าปฏิหารทั้งปวงเพราะว่าเป็นปฏิหารเดียวที่ทําให้จิตหลุดพ้นจากความการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากความทุกข์ได้คือแก่นคือธรรมะอันนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นสุดยอดของปาฏิหารคือปัญญาความรู้ความฉลาดในอริยสัจ ส, สี่ผู้ใดมีปัญญาเห็นอริยสัจ ส, สี่ผู้นั้นก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ ปฏิหารต่างๆเช่นการมีฤทธิ์มีเดชมีตาทิพยภูทิพอ่านการรจิตของผู้อื่นได้ระลึกชาติได้ความสามารถเหล่านี้ไม่สามารถมาหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้พระพุทธเจ้าจึงไม่ยกย่องปฏิหารต่างๆเอธิลิตปฏิหารต่างๆแต่ทรงยกยอ่อง การมีดวงตาเห็นธรรมว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่แท้จริงผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าต่อให้มีความสามารถพิเศษอย่างไรมีอิทธิฤทธิ์มากน้อยเพียงไรก็ยังต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตาย เราปฏิหาริทธิฤทธิ์ต่างๆไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี้การมืหูทิศตาทิศการระลึกชาติได้การรู้วาระจิตของผู้อื่นไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ความวุ่นวายใจได้เพผู้ที่เข้าถึงแก่นของาศาสนาก็จะ เห็นคุณค่าของแก่นศาสนาแต่ผู้ท an> ี่ย yes uh, ังท้อไม่ถึงแก่นก็จะเห็นคุณค่าของปฏิหารต่างๆเข้าใจไหมตันนี้มีทุราอะไรหรือเปล่าพอดีน้องน้องช่ยชวนชวนมาก็เคยมาเป็นเคยมาก็คงเคยมาครั้งหนึ่งแล้วครับ พีน้องชายือว่าถ้ามีปัญหาก็มาถามพระอาจารย์นะก็ถ้าอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะวันนี้ไม่ได้แสดงธรรมเทศนาวันนี้เป็นบุชาวิสัชนาะถามตอบได้คือเขาภาวนามาได้ก็หลายปีแล้วค่ะเสร็จแล้ว มีอยู่วันหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้เจ้าค่ะก็คือว่าไม่พอดีคุณหมอให้เข้าเอ็มรที่เป็นอุโมงค่ะและทีนี้เกิดความกลัวมากกลัวที่แคบเจ้าค่ะก็เลยอยากทราบว่าหลังจากนี้คือคือความรู้สึกกิเลส ต, ต่างๆที่ผุดขึ้นมาบางอย่างเราไม่เคยพบหลังจากนี้เราควรจะต้องไปต่อสู้กับมันยังไงเจ้าค่ะมันเป็นกิเลสแบบไหนนะ่ะ ความกลัวที่แคค่ะความกลัวก um ็ไม sí. ่มาก็ตอนแรกก็ไปจัดหาเตียงนึกว่าจะหัดเข้าไปอยู่ใต้เตียงแบบเพื่อจะไปเขาฝึกดูอยู่กับความแคบเจ้าค่ะความกลัวมันเกิดที่ใจเราต้องแก้ด้วยธรรมะ คือแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาขั้นแรกก็ใช้สติเป็นการแก้เวลาเกิดความกลัวให้เรามีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรากลัวเช่นการที่เราไปอยู่ในสถานที่คับแคบเราก็หลับตาแล้วก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธไป อย่าไปคิดว่าเราอยู่ตรงไหนพอหลับตาแล้วเราจะไม่รู้ว่าเราเราอยู่ตรงไหนแล้วเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปมันก็จะลืมเพราะจิตไม่ได้อยู่ในร่างกายร่างกายจะไปอยู่ในที่แคบแคบแต่จิตนีความจริงไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่ส่งกระแสจิตไปเกาะติดอยู่กับร่างกาย ก็เลยทำให้คิดว่าตนเองอยู่ที่ร่างกายพอร่างกายเข้าไปในที่แคบแคบก็เกิดความกลัวขึ้นมาเราต้องดึงจิตออกจากร่างกายด้วยการทำจิตให้สงบอย่าให้จิตคิดถึงความสถานที่ที่ร่างกายกำลังอยู่หลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไป เราก็จะไม่รู้ว่าร่างกายอยู่ตรงไหนความกลัวก็จะหายไปถ้าถ้าถ้าจะใช้ปัญญาก็พิจารณาว่าเรากลัวอะไรเรากลัวความตายหรือกลัวอะไรถ้าเรากลัวความตายมันก็ความตายอยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่เรา เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้รู้ผู้คิดร่างกายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันถึงเวลามันก็ต้องตายเช่นเวลาตายเขาก็เอาเข้าไปใส่ในลงศพร่างกายมันก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมเวลาที่ไม่มีใจแล้วยาวร่างกายไปไว้ตรงไหนร่างกายมันไม่เดือดร้อน จะเอาไปไว้ในโรงศพจะไปไว้ฝังในดินจะเข้าไปเตาเผามันไม่รู้สึกอะไรมันไม่รู้มันไม่มีการรับรู้ร่างกายเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นธาตุทามาจากดินน้ํำลมไฟเหมือนกับต้นไม้ท่อนไม้ท่อนฟืนนี่ก็ทํามาจากดินน้ํำลมไฟต้นไม้นี่จะโตขึ้นมาได้ก็ต้องมีน้ํา มีลมมีอากาศมีไฟมีความร้อนมีดินมันถึงเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้แต่ต้นไม้มันไม่มีความรับรู้ความรู้สึกต่างๆเวลาเราไปตัดต้นไม้ต้นไม้มันไม่มีความรู้สึกกลัวหรืออะไรเพราะมันไม่รู้ว่ามันกำลังถูกตัดเั็นอี่ยวเวลาที่ เขาผ่าตัดแล้วเขานมยาสลบทำให้จิตไม่สามารถมารับรู้เรื่องของร่างกายได้พอจิตไม่มารับรู้เวลาเขาผ่าตัดร่างกายร่างกายมันก็ไม่ดิ้นมันไม่อะไรเพราะมันไม่รู้เรื่องผู้ที่ดิ้นก็คือจิตแต่จิตตอนนั้นถูกล็อกเอาไว้ ด้วยยาสลบไม่สามารถที่จะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายได้จิตก็เลยจิตตอนนั้นก็เหมือนกับเข้าไปในสมาธิหรือให้นอนหลับไปให้นอนหลับไปแท น, นเราถ้าอยากจะแก้ด้วยปัญญาก็ต้องพิจารณาว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ร่างกาย ไม่ได้เกิดขึ้นกับใจเพราะใจไม่ได้อยู่ที่ที่ร่างกายอยู่ใจอยู่อีกที่หนึ่งร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นกู้ระเบิดเคยเห็นหุ่นกู้ระเบิดที่เขาใช้กันนะเป็นหุ่นที่มีกล้องแล้วก็มีไมโครโฟนรับเสียงแล้วก็มีล้อเคลื่อนไหวมีแขนมีอะไร เวลาเขาต้องการกู้ระเบิดเพื่อไม่ให้คนที่ไปกู้นี้ถูกระเบิดเขาก็เลยใช้หุ่นเป็นตัวแทนแล้วเขาก็ติดต่อกับหุ่นด้วยสัญญาณวิทยุใช่ไหมเขาก็สั่งให้หุ่นไปที่ตัวระเบิดแล้วก็ไปถอดรหัสของระเบิด ถ้าเกิดพลาดไปถ้าเกิดระเบิดขึ้นมามันก็จะระเบิดที่ตัวหุน่นแต่คนที่ควบคุมหุ่นนี้จะไม่โดนเพราะอยู่กันคนละที่ร่างกายของเราก็เหมือนหุ่นกู้ระเบิดนี่ส่วนใจนี้เหมือนเป็นผู้ควบคุมเครื่องหุ่นกู้ระเบิดอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละโลกอยู่คนละมิติแล้วแต่เราจะใช้ภาษา สรุปก็คืออยู่คนละที่ก็แล้วกันร่างกายอยู่ที่นี่แต่จิตนี่อยู่ในโลกทิพโลกคิพกับจิตนี่เชื่อมต่อกันด้วยกระแสของจิตจิตส่งกระแสมามาเกาะติดอยู่กับร่างกายมารับข้อมูลที่ร่างกายารับถ่ายทอดจากทางตาหูจมูกลิ้นกาย วิญญาณเนี่ยที่ออกมาจากจิตมาอยู่ที่ตาก็เรียกว่าจักูวิญญาณอยู่ที่หูก็เรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณทั้งห้าเนี่ยมันจะมาเกาะติดอยู่กับร่างกายเพื่อรับข้อมูลต่างๆที่ร่างกายกำลังถ่ายทอดให้กับจิตพอลืมตาก็เห็นรูปก็ส่งรูปไปให้กับจิตพอจิตเห็นรูปก็สั่งให้มีปฏิกิริยา ว่าควรจะทําอะไรควรจะเดินเข้าหาหรือควรจะเดินถอยถ้าเห็นลูกระเบิดก็สั่งให้เดินถอยออกมาถ้าเจอขนมก็สั่งให้เดินเข้าไปเจอร้านกาแฟสตาร์บัค ก, ก็ให้เดินเข้าไปถ้าเจอสถานีตํารวจก็ให้ถอยออกมาอันนี้ ใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแต่ตัวผู้สั่งนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่คนละโลกกั น, นก็โลกทิพย์ไงก็ลองเข้าสมาธิดูเลมันก็อยู่นะก็หลับตาดูมันก็มันก็จะเห็นโลกทิพย์อยู่โลกหนึ่งพอเราไม่ใช่ตาหูจมูกนิ้นกายเราก็จะเห็นตัวจิตที่จิตมันไม่มีรูปร่างมันก็เลย รูปเป็นโลกเป็นโลกที่ไม่ต้องมีรูปร่างมันไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่จั ก, กรวาลที่เราอยู่เนี่ยที่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอะไรต่างๆนี่จิตไม่ได้อยู่ในโลกกธาต์อยู่ในโลกกทิพย์ น, น, นะยะโลกทิพย์ก็คือถ้ภาภาษาอังกฤษก็สปิริตเชีลโลกของจิตตวิญญาณอันนั้นะคือที่อยู่ที่ขอ ง, ของพวกเราทุกคนขณะนี้ แต่ตอนนี้เราส่งกระแสมาที่ร่างกายของเราใช้ร่างกายของเรานี้ไปหาความสุขให้กับเราเพราะเราไม่มีความสุขในตัวเราเราเลยใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเหมือนกับที่ตอนนี้เขาส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวต่างๆอยู่ทั้งที่โลกนี้มันยังไม่มีความสุขพอ ก็เลยอยากจะไปหาความสุขนอกโลกก็เลยต้องสร้างยานอวากาศนี้ส่งไปเพื่อจะได้ไปเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆไปค้นพบอะไรใหม่ๆวิเศษกว่าที่มีอยู่ในโลกนี้นี่เกิดร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนหุน่นใจนี้เป็นเหมือนผู้ควบคุมหุน่นไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่คนละมิติกันอยู่คนละโลกกัน อะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ไปกระทบกระเทือนกับจิตที่อยู่อีกโลกหนึ่งและกระทบทางความรู้สึกแค่นั้นเองจิตทุกข์เพราะหลงแล้วก็เกิดความรู้สึกสร้างความรู้สึกทุกข์ให้กับตัวเองเช่นหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกายพอหลงว่าตนเองเป็นร่างกายพอร่างกายไปอยู่ที่คับแคบก็กลัวขึ้นมา คิดว่าเป็นกัไปนอนอยู่ในโรงศพก็เกิดความไม่อยากเกิดความไม่ชอบไม่อยากจะอยู่ในที่คับแคบพอเกิดความไม่อยากขึ้นมานี้มันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความไม่อยากก็คือความอยากอยากไม่อยู่ในที่คับแคบตาภาษาบาลีท่านเาเรียกวิภภาวะตัณหาไม่ชอบสภาพอย่างนี้ไม่อยากจะอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็เรียกวิภภาวะตัณหา พอเกิดตัญหาขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาวิธีที่จะทำให้ความทุกข์ความกลัวนี้หายไปก็ต้องหยุดตัวตัญหาความอยากนี่ก็มีสองวิธีวิธีชั่วคราวก็ใช้สติพุทโธพุทโธไปถ้าเราพุทโธพุทโธไปจิตไม่ไปคิดถึงที่ร่างกายกำลังอยู่ว่าอยู่ตรงไหนหลับตาเสร็จแล้วก็พุทโธพุทโธไป มันก็จะลืมไปแล้วก็จะหยุดความอยากและถ้าเราอยากจะแก้ย่างถาวรก็ใช้ปัญญาว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับร่างกายมันไม่ได้เกิดขึ้นกับใจร่างกายจะถูกขังอยู่ในนั้นไปตลอดไม่มีวันที่จะโผล่มาก็ถือว่าร่างกายนี้เหมือนคนตายไปเวลาตายไปเขาก็จะ ใส่เข้าลงไปแล้วก็เอาไปฝังดินฝังไปจนกามันจะเปื่อยผุหายไปหมดกลายเป็นดินไปหมดนี่คือที่ไปของร่างกายแต่ใจผู้ที่กลัวนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเห็นถ้าเราสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้ปล่อยวางร่างกายได้เราก็จะไม่เดือดร้อนกับ ความเป็นความตายของร่างกายอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาใช้ปัญญานี่การจะใช้ปัญญาได้นี่ต้องแยกด้วยสมาธิก่อนจิตต้องสงบเวลาจิตสงบจิตจะแยกออกจากร่างกายชั่วคราวเหมือนกับเวลาที่เราเทน้ำออกจากขวดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าน้ำกับขวดนี่เป็นคนละส่วนกัน แต่เวลาเทเอาน้ำใส่เข้าไปในขวดนีเราก็จะเห็นร่างกายเป็นรูปขวดเห็นเห็นน้ำเป็นรูปขวดขึ้นมาเราก็จะคิดว่าน้ำกับขวดนี้เป็นอันเดียวกันงั้นเบื้องต้นเราต้องแยกร่างกายออกจากใจด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบใจจะถอนวิญญาณกลับเข้ามาสู่ใจถอนตัวที่ไปรับรู้ รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆกลับเข้ามาสู่ใจมันกัตดตัดการเชื่อมต่อระหว่างร่างกายกับใจก็เราจะเห็นชัดว่าร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งใจเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนเทน้ำออกจากขวดพอเราเทน้ำออกจากขวดเราก็จะเห็นว่าขวดนี้เป็นของแข็งแต่น้ำนี้เป็นของเหลวอันนี้ก็เหมือนกัน เวลาจิตรวมนี่เราจะเห็นว่าร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟใจเป็นธาตรู้เป็นตัวรู้เป็นผู้รู้คนละส่วนกันพอเราแยกได้อย่างนี้แล้วเวลาเราออกจากสมาธิมันก็จะกลับเข้ามารวมกันเหมือนเอาน้ำเทกลับเข้าไปในขวดใหม่เราก็ต้องใช้ปัญญาบอกใจอยู่เรื่อยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา ท้กวันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะต้องแก่เจ็บตายไปเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นเราแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันเวลามันจะเป็นอะไรถ้าเราดูแลรักษาไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่ามันดูแลรักษาไม่ได้ถึงเวลามันจะไปก็ให้มันไปถ้ายังดูแลรักษาได้อยู่ก็ดูแลกันไปแต่ความจริงในที่สุดเราก็รู้ว่าต้อง ถึงเวลาที่เราจะต้องไม่สามารถดูแลรักษามันได้ต่อให้มีหมอเก่งขนาดไหนมียาวิเศษขนาดไหนถ้ามันถึงโรคขั้นสุดท้ายนี่ไม่มีใครจะรักษาได้แต่เราไม่ต้องทุกข์กับมันถ้าเรามองว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราเหมือนกับเราไม่ทุกข์กับร่างตายของคนอื่นนอย่างหมอนี่ไปรักษาคนไข้หมอทุกข์ไหมเวลาคนไข้ตายไปเนี่ย อยา่าว่าถ้าายเลยครับแค่าารักษาแล้วไม่หายก็เป็นทุกข์เลยครับเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดไปติดกับคนไข่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่ไปยึดติดนี้เราก็จะไม่ทุกข์กับเขาใช่ไหมคนที่เราไม่รู้จักที่เขาอยู่ดีๆตายไปเราไม่เดือดร้อนเลยเพราะเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นเราแต่เรามาคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราพอมันเป็นอะไรขึ้นมาเราก็เลยเดือดร้อนนี่คือการใช้ปัญญา แยกใจออกจากร่างกายแล้วก็สอนใจให้ปล่อยวางเตือนใจตลอดเวลาว่าดูปังอนัตตาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นเพียงอาการสาสิบสองลองศึกษาดูเถิดร่างกายมีอะไรบ้างผมขนแล้ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปดูเขาผ่าศพก็ได้จะเห็นร่างกายนี้เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่ง ตอนนั้นไม่มีดวงวิญญาณไม่มีดวงจิตไม่มีดวงใจนอนแข็งทื่ออยู่มีแต่อาการ32ถามดูว่าตัวเราอยู่ตรงไหนถ้าเรียกว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมเหรอเวลาโกนผมหมดแล้วเราอยู่กับที่ไหนหล่ะเราหายไปกับผมหรือเปล่าเวลาถอนฟันออกไปหมดนี่เรายังอยู่หรือเปล่าเราก็ยังอยู่เท่าเดิมเนนะีไม่ได้ หรืออาการสามสิบอาการแต่เราก็ยังอยู่เต็มร้อยเปอร์เซ็นอยู่ตัดแขนตัดขาไปมันก็ยังอยู่เอาลูกกตาออกมันก็ยังอยู่มันไม่ได้เป็นร่างกายมันไม่ได้หดหายไปกับร่างกายเวลาเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนสมองได้ต่อไปเราจะเป็นคนใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าเพอาสมองของอีกคนหนึ่งมาใช้เอาหัวใจของคนอีกคนหนึ่งมาฉีดเลือด กระสุนเลือดนี้แล้วก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นะแม้แต่เราเปลี่ยนร่างกายนี้ทั้งนั้นเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เช่นเราร่างกายนี้ตายไปเราไปเกิดใหม่ไปเป็นหมามันก็ยังเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นิสัยเราเดิมก็รังยังมีอยู่ยังโกรธเกลียดยังรักอะไรก็ยังโกรธเกลียดรักอะไรเหมือนเดิมอยู่ใจมันไม่ได้เป็นร่างกายมันถึงมันถึง ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเวลากลับมาเกิดกี่พ่ ก, กี่ชาตินิสัยสันดานเดิมมันก็มาด้วยนี่คือการศึกษาเพื่อให้เรารู้ความจริงเพราะตอนนี้การหลงผิดนี้ทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆเราไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราก็เลยเกิดความอยากให้มันดีให้มันอยู่ไปนานๆแต่ธรรมชาติของร่างกายมัน มันดีไม่นานมันอยู่ไม่นานมันสักวันนีมันก็จะไม่ดีันลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ดีเวลาแก่ก็ไม่ดีเวลาตายก็ไม่ดีถ้าเราไม่ยอมรับความจริงอันนี้อยากให้มันดีเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันไม่ดีก็ไม่ดีมันแก่ก็แก่มันเจ็บก็เจ็บมันตายก็ตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน การปฏิบัตินี้ไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมาปฏิบัติเพื่อไม่ให้ใจทุกข์กับมันไม่ให้ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับสภาพที่ร่างกายไปอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่สูงอยู่ที่แคบอยู่ที่ต่ำบางคนไปอยู่ที่สูงก็เสียวบางคนไปอยู่ในห้องอคับแคบก็เสียวขึ้นมาบางคนไปเจอทุกแกก็เสียว บางคนไปเจอแมงมุมก็เสียวเจองูก็เสียวแล้วแต่ดิษสายใจขอที่เคยถูกปลูกฝังมาในแต่ละพบแต่ละชาติมันก็จะติดติดตัวกับเรามาจิตของเราจรึงไม่เหมือนกันในเรื่องของความรักความชังบางคนกลัวที่มืดบางคนกลัวที่เปี่ยวบางคนกลัวที่แคบ บางคนกลัวที่สูงมันก็แล้วแต่นานๆจิตตังที่เคยสะสมนิสัยนี้มาแต่มีวิธีแก่ก็คือเนี่ยวิธีแรกก็คือเวลาเกิดความกลัวไม่ว่าจะกลัวอะไรก็ตามให้หลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปอย่าให้ใจเราไปคิดถึงสถานการณ์นั้นพอไม่คิดถึงสถานการณ์นั้นมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น จิตมันก็สงบได้เพราะสงบมันก็หายกลัวอย่าส่งจิตไปคิดถึงสถานก า, า, ารณ์นึงเช่ น, นกลัวผีก็อย่าไปคิดถึงเรื่องผียิ่งคิดมันยิ่งมาใหญ่เราต้องการหยุดความคิดด้วยการใช้สติการที่เราใช้พุโทโธพุโทโธนี้เพื่อหยุดจิตไม่ให้ส่งไปรับรู้สถานการณ์ที่เรากำลังกลัวอยู่หรือเหตุการณ์หรือสิ่งที่ทาให้เรากลัวอยู่ เช่นไปเจองูเจอเสือนี่เราก็นั่งหลับตาพุโทโธไปเลยอยู่เฉยเฉยงูจะกัดหรือไม่กัดเสือจะกัดหรือไม่กัดนี่เราก็ห้ามมันไม่ได้แล้วละ่ะถ้าเราอยู่ในเหตุที่มันจะเอะกันข้าขันกันเราช่วยได้อย่างเดียวก็คือใจของเราไม่ให้กลัวไม่ให้ทุกข์ได้โดยการหลับตาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเช่นคนที่นั่งเครื่องบินคิดว่าเครื่องบินจะตกนี่ก็สวดมนต์กันไปลั่นไปหมดนะ เพื่อที่จะควบคุมใจควบคุมสติไม่ให้กลายเป็นบ้าไปบางคนกลัวมากๆนี้เป็นบ้าไปบางทีตายก่อนร่างกายตายก็มีเพราะกลัวสุดขีดร่างกายจิตมันเลยทิ้งร่างกายออกจากร่างไปก่อน ท, ทั้งที่ร่างกายยังไม่ตายแต่ความกลัวสุดขีดนี่มันทําให้ทิ้งร่างกายเลยตายไปก่อนก็มีแต่คนที่มีสติ ด, ดีๆบางทียืดอด บางทีเครื่องมินโต ก, ก็ยังรอดถ้าร่างกายมันไม่บอบช้าจนเกินไปมันก็ยังอยู่ได้แต่คนที่กลัวสุดขีนี้บางทเีเครื่องยังไม่ทันกระแทกพื้นมันตายไปก่อนนะตายด้วยความกลัวมันพลิกร่างกายมันหนีเลยอจิตมันหนีเลยมันไม่ยอมมันไม่อยากจะเจอสภาพที่น่ากลัวคนที่มีจิตอ่อนจะเป็นอย่างนี้มีสติอ่อนไหวง่ายๆจิตอ่อนไหวง่ายๆสติน้อยๆเนี่ย จะกลัวจะอารมณ์วุบว่าแต่คนที่มีสตินี้บางทีเขาก็จะดูไปจนถึงวาระสุดท้ายเลยดูมันจะ้ตั้งถึงมันกระแทกพื้นไปเลยดูซิมันอยู่ได้มันอยู่ไม่ได้มันก็อย่ทหายใจให้ถ้ามันยังอยู่ได้มันก็อาจจะไม่ตายก็ได้นี่คือเรื่องของการแก้ปัญหาทางด้านจิตใจ อาจารย์ครับแล้วอย่างมีบางคนนะครับอาจารย์ที่เขาไป็นโรค ก, กลัวความโสกรปรกเนี่ยครับก็แบบเดียวกันนะครับก็จะใช้สติเวลาเจอสิ่งสกโปกก็พุโทโธพุโทโธไปหลับตาไปอย่าไปมองมไปเลยนะถ้าจะใช้ปัญญาก็ดูว่าแล้วร่างกายเรามันสะอาดนักเลยของสกโปกมันก็ออกมาจากร่างกายเราไม่เห็น เ, ลน ว, เวลาอุจจาระก็ลองเอามือไปจับอุจจาระที่ จะได้หายกลัวก็วมันมาเวลาเราหยิบเข้าไปในปากทำไมหยิบได้เวลาหยิบออกจากก้นทำไมหยิบไม่ได้มันก็สิ่งเดียวกันไม่ใช่เหรอใช่ไหมอาหารที่เราหยิบเข้าไปในปากมันก็ต้องออกมาที่ก้นถ้าไม่ออกมาที่ก้นแล้วไปกลัวมันเป็นรังเกียจมั น, มนใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาแล้วมันก็จะไม่รังเกียจมันเป็นอันเดียวกันสิ่งเดียวกัน เป็นแต่แปลสภาพไปเหมือนกัของที่เน่ากับของไม่เน่ามันก็มาจากอันเดียวกันไม่ใช่เลยผลไม้เวลาเราซื้อจากตลาดมันก็น่ากินถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็เน่ามันก็มันก็สิ่งเดียวกันเพราะถ้าเกิดว่า เ, เราเก้าถึงความเป็นทัะธุบุคคลนี่คือสิ่งพวกนี้ก็จะหายไปเองใช่ไหมครับอาจารย์อ่า อริยบุคคลจะดูที่ใจว่าตอนนี้กําลังทุกข์กับเรื่องอะไรแล้วจะรู้ว่าสาเหตุที่ทุกข์ก็คือความอยากอยากไม่เจอสิ่งนั้นไม่เจอสิ่งนี้อยากไม่ได้สิ่งนั้นหรืออยากได้สิ่งนี้มันก็จะทําให้ทุกข์พอละความอยากได้มันก็จะหายทุกข์เรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็เป็นความทุกข์ใช่ไหม เพราะเราไม่อยากจะเจอมันใช่ไหมแต่เราหนีมันได้หรือเปล่าหนีความแก่หนีความเจ็บหนีความตายได้หรือเปล่างั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เวลาเราเจอมันเราก็ทำใจเฉยๆอย่าไปอยากไม่เจอมันถ้าเราหยุดความอยากไม่เจอมันได้เวลาเจอมันเราก็จะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนสิ่งที่จะทำใจให้เราเฉยได้ก็คือสติคือทําใจให้นิ่งให้สงบ มันก็จะเฉยแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดามันไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากของเราเองความอยากไม่เจอสิ่งนี้พอเจอมันก็จะทุกข์แต่ถ้าเราบังคับใจว่างานๆก็ต้องเจอก็ทำใจดีสู้เสือไป มันก็จะไม่ทุกข์เวลาเจอความแก่ก็เฉยๆไปอยู่กับมันไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากหนีจากมันไปมันจะไม่ทุกข์เวลาเจอความตายก็เฉยๆไปอยู่กับมันไปดูมันไปดูเวลามันตายเวลามันตายมันก็แค่วินาทีเดียวเวลาที่หยุดหายใจปั๊บมันก็ตายถ้ายังหายใจอยู่มันก็ไม่ตายใช่ มันก็มีแค่วินาทีเดียวเท่านั้นความตายช่วงวินาทีที่หายใจหยุดหายใจเมื่อไหร่เพาะนั้นมันก็ตายมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นน่าหวาดเสียวน่ากลัวสิ่งที่มันทำให้เรากลัวคือความอยากของเราเองอยากไม่ตายอยากไม่เจอความตายมันก็เลยทำให้เราทุกข์สุด ข, ขีดขึ้นมาถ้าเรามีสติควบคุมใจให้เฉยได้มีปัญญาสอนใจว่าอย่าอยาก อยากอยากไปอยากไม่ตายอายอมตายซะยอมแก่ยอมเจ็บแล้วมันจะไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ยอมทุกข์กับไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายมีอะไรปะเดี๋ยวถามพ่อพ่อพ่อพ่อปฏิปบัติครับคือผมฟังแท่ของท่านของสมเด็จพระญาณเรื่อง วิธีดูไกลวิธีพัฒนาจิตกรรมพอถึงตอนสุดท้ายท่านแท่สอนว่าให้นําสติมากําหนดรู้ที่มากําหนดที่รู้ที่ที่ไม่เข้าใจอยู่ว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเรากําหนดที่เรามีสติกําหนดที่รู้ตลอดเวลาแล้วมันมีลักษณะอย่างเราจึงจะมั่นใจได้ว่าเราอยู่มีสติอยู่ที่รู้ทั้งภายนอกทั้งภายในอาจจมารู้ภายนอกกคือให้รูาา้เฉยๆเห็นอะไรก็ให้รู้เฉยๆ คือผมคิดมากขนอยว่ามันเป็นอย่างไรเอ่ยก็เนี่ยเป็นอย่างเนี้ยบอกให้รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยได้ไหมรู้โดยที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งกับสิ่งที่เรารู้ได้นะเสียงก็จะเพียงแต่ได้ยินเสียงไม่ต้องไปปรุงแต่งว่ามันดีหรือไม่ดีร่างกายเป็นอะไรก็ดูมันไปเฉยเฉยให้ดูเฉยเฉยให้รู้เฉยเฉยที่ส่วนใหญ่เราไม่รู้เฉยเฉย เราไปรู้แล้วก็ไปมีรักมีชังไปกับสิ่งที่เรารู้แล้วก็เลยมีตัณหามีความอยากเกิดขึ้นมานะพอเห็นกระเป๋านี่พอเห็นว่ามันสวยก็รักขึ้นมาชอบขึ้นมาอยากได้ขึ้นมาใจก็สั่นอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องควักเงินจ่ายมันถึงมันถึงจะหายสั่นแล้วถ้าไม่มีเงินฟักก็รู้สึกเสียดายเสียใจไม่สมายใจ ไม่แฮปปี้ไม่สุขใจเพราะอยากได้แต่ไม่มีเงินซื้อให้ดูเฉยๆดูแลอย่าไปเกิดความอยากพูดง่ายๆมีแค่นั้นก็ให้ดูใจก็ดูว่ามันอยากหรือไม่อยากถ้ามันอยากก็แสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเป็นการมาตัญหาอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ทำให้เราอยู่ไม่ได้ละเห็นกาแฟเห็นร้านสตาร์บัคขึ้นมานี่มันอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องเดินเข้าไปในร้าน ให้ดูเฉยๆเดินผ่านอะไรเห็นอะไรเดินแล้วก็ผ่านไปอย่าหยุดเข้าใจไหม <Shop> ให้ดูเฉยๆถ้าวันเดินผ่าน้นไม่ซื้อกระเป๋าดเป๋อย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เรารู้เข้าใจหม อ, อย่าไปรักีย่ไปชังไปเจอขยะก็ชังเนี่ยไปเจอของหอมก็ชอบนิ่ม <Y im. S 1> ให้ดูเฉยๆอันนี้อันนี้ นิยมอยู่ในลักษณะของอ ป, ร ป, ปริยาปุตติทุกข์ไทยถ้าเผื่อถ้าเผื่อรู้ในลักษณะของขณะที่กําลังอยู่ในอยู่ในขณนะปฏิบัตินี้นี่แนหะปฏิบัติจะไปปฏิบัติที่ไหนมันก็ปฏิบัติในขณะที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นไปนั่งสมาธิมันเป็นเืียงแต่ไปเตรียมตัวปฏิบัติไปซ้อมไปสร้างเครื่องมือขึ้นมาสร้างตัวรู้เฉยๆขึ้นมาเพื่อที่เวลามาเจอเหตุการณ์จริงจะได้เฉยได้ เข้าใจไหมเวลาเจอความตายก็เฉยได้เวลาเจอความเจ็บก็เฉยได้เวลาเจอใครด่าก็เฉยได้เวลาใครขโมยเงินไปหมดเนื้อหมดตัวก็เฉยได้คือให้ฝึกตรงนี้ฝนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้เฉยพอเฉยแล้วไปเจอเหตุการณ์จริงจะได้ทําใจได้จะได้ไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆนั่นแหละคือปฏิบัติที่แท้จริง ตอนที่ไปนั่งนี่มันเพียงแต่ไปทําการบ้านไปเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไว้เพื่อที่จะเอาไปใช้กับเหตุการณ์จริงและท่านประเทศนะติดมาขอสุดท้ายว่าให้กําหนดให้นําสติกําหนดรู้ภายในว่าที่หมายถึงอย่างไรครับก็รู้ใจไงภายใ น, ย ใ, น, ย ใ, นให้รู้ว่าใจนิ่งหรือไม่นิ่งใจทุกข์หรือไม่ทุกข์ แค่แค่นี้ปัญหาหัวใจอยู่แค่ตรงเนี้ทุกหรือไม่ทุกท่านเองถ้ามันนิ่งมันไม่ทุกก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามันไม่นิ่งมันทุกก็ต้องแก้มันแก้มันก็ด้วยวิธีให้มันเฉยท่านเองโมงจะไปคิดหาคำตอบนะครับโบมปีนันคือว่าบัลลังก์นั้นคือไม่มีคําตอบอ่คือที่ไปนั่งไปพิจารณาเดินจงกรมนี่เป็นการสร้างเครื่องมือ สร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาเพื่อที่จะควบคุมใจให้มันนิ่งและตอนที่เดินปฏิบัติ้บางทีมันไม่มีเหตุการณ์มันก็เลยไม่รู้ว่าเราเรานิ่งได้หรือไม่นิ่งเราก็เลยต้องไปหาเหตุการณ์บางทีท่านก็เดินหาเสืออยู่ในป่าอยากจะได้ยินเสียงเสือคำรามก็ดูเสว่าใจเป็นยังไงสั่นหรือไม่สัน่นหรือถ้าจะนั่งให้มันดูว่าใจนิ่งไม่นิ่งก็นั่งให้มันเจ็บ แล้วอย่าลุกอย่าขยับนั่งเข้าไปให้มันเจ็บให้มันป ว, นวดเราดูซิว่าเราทำใจให้มันนิ่งกับความเจ็บปวดของร่างกายได้หรือเปล่ามันมีมันมีต้องเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ใจเรามันทุกข์ใจเราไม่นิ่งแล้วเราก็ต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญานี้มาเป็นเครื่องมือมาบังคับให้มันนิ่งให้ได้ ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญามันก็จะนิ่งกับเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บไม่ว่าจะเป็นความตายไม่ว่าจะเป็นการไปสัมผัสรับรู้เรื่องราวต่างๆไปพบกับสรรเสริญนินทาไปพบกับการเจริญลาบเสื่อมลาบเจริญยศเสื่อมยศดูซิว่าใจจะนิ่งไหมเวลาได้เงินมาจะดีใจหรือเปล่าดีใจก็ไม่นิ่งนะ พราะถ้าได้เงินมาดีใจเวลาเสียไปมันก็ต้องเสียใจนะถ้าอยากจะให้ใจมันนิ่งเวลาได้มาก็ไม่ดีใจทําเวลาได้มาไม่ดีใจเวลาเสียไปมันจะไม่เสียใจเราจะทำไงให้มันไม่ดีใจเวลาได้เงินมาก็ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันได้มาแล้วมันก็ต้องมีวันเสียไป ไม่เสียตอนที่เราอยู่ก็ต้องเสียตอนที่เราตายนะมันก็ต้องเสียอยู่ดีเวลาเสียมันก็จะเสียใจฉะนั้นเวลาได้อะไรมาอย่าดีใจถ้าดีใจต้องสอนแล้วว่ากำลังหลงแหละต้องบอกว่ามันไม่เที่ยงอย่าไปดีใจได้อะไรมาเท่าไหร่ก็จะต้องเสียมันไปเท่านั้นเรายินดีที่จะเสียหรือเปล่าถ้าเรายินดีที่เสียก็เอามาได้ แต่ถ้าเราเอามาแล้วเราไม่ยินดีที่จะเสียก็อย่าเอามาเพราะเอามาแล้วเดี๋ยวจะทุกข์ใจเวลาเสียไปให้เห็นว่ามันทุกอย่างมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีได้มีเสียมีมามีไปแล้วเราจะเฉยกับมันเวลามันมาก็ปล่อยมันมาไปเราไม่ได้ไปขอร้องให้มันมาเราไม่ได้ไปอยากให้มันมา แต่เมื่อมันมามาก็ปล่อยให้มันมาไปแล้วเมื่อถึงเวลามันไปเราก็ปล่อยให้มันไปได้ถ้าเราปล่อยให้มันมาได้เราก็ปล่อยให้มันไปได้ถ้าเราไม่มีความอยากเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเราก็จะไม่มีปัญหากับมันถ้ามันมาโดยที่เราไม่มีความอยากให้มันมาเวลามันไปเราก็จะไม่มีความอยากให้มันอยู่แต่ถ้าเรามีความอยากให้มันมาเวลามันจะไปเราก็จะอยากให้มันอยู่ พออยากให้มันอยู่แล้วมันไม่อยู่เราก็จะเสียใจเราก็จะทุกใจขึ้นปัญหาของเราทั้งหมดนี้อยู่ที่ความอยากัวิธีที่เราจะทำให้เราไม่ยินดีกับสิ่งต่างๆก็ต้องมองว่าทุกอย่างมันต้องจบเหมือนกับขีนขึ้นขี่หลังเสือแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องมีลงจากหลังเสือลงมาเวลาลงจากหลังเสือลงไม่เป็นก็ถูกเสือกลับตายได้ เวลาเป็นพ อ, อ, อขึ้นมาแล้ว เ, เดี๋ยวถูกโยกย้ายถูกปลดออกมานี่ยก็จะเสียใจเวลาได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ดีใจกันพอหมดวาระหรือถูกปลดก็เสียใจกันเพราะได้มาด้วยความอยากพอได้ด้วยความอยากมันก็จะมีอุปทานความยึดติดอยู่กับสิ่งที่เราอยากได้ก็จะไม่อยากให้มันจากเราไป แต่โดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันมาแล้วมันก็ต้องมีวันไปพอเวลามันไปเราก็จะทุกข์กับมันเพราะก็คือความอยากอยู่อยากไม่ให้มันไปนั้นปัญหาของเราทั้งหมดนี้อยู่ที่ความอยากที่เรามาเจริญสติสมาธิปัญญากันนี้ก็เพื่อจะมีใช้เป็นเครื่องมือมาหยุดความอยากนี้เองสติอย่างเดียวก็ไม่พอสมาธิอย่างเดียวก็ไม่พอปัญญาอย่างเดียวก็ไม่พอ มันต้องมีครบองค์มีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วมันก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เวลามันเกิดขึ้นมาสรุปว่าอยากอยากแล้วจะทำให้มันอยากอยากได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วการที่จะสร้างสติสมาธิปัญญาได้ก็ต้องมีศีลก่อน ถ้าไม่มีศีลก็จะไม่มีเวลามาสร้างสติสมาธิปัญญาศีลนี่ก็คือศีลแปดขึ้นไปถ้าไม่ถ้าไม่รักษาศีลแปดเดี๋ยวมันก็ไปทําตามความอยากกันศีลห้านี่ยังไม่ได้ปิดประตูการทําความอยากศีลห้ายังไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ยังไปเที่ยวได้ยังไปหาแฟนได้ยังไปทาอะไรทางร่างกายได้ แต่พอถือศีลแปนี้ห้ามแล้วไม่ให้ไปแล้วจะได้มีเวลาไงถ้าเราไปทํากิจกรรมทางร่างกายเราก็จะไม่มีเวลามาทํากิจกรรมทางใจคือการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมางั้นผู้ที่ต้องการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญา น, นี้จะต้องถือศีลแปดจะได้มีเวลาไม่เช่นนั้นเดี๋ยวกิเลสมันจะล่างให้ไปทํากิจกรรมทางร่างกายทนที่นั่งสมาธิดูละครดีกว่า แทนที่จะเดินจงกรมไปกินกาแฟดีกว่า mm. ไปกินขนมดีกว่าถ้าไม่ถือศีลแปดนัมนกินได้ยี่สีชั่วโมงอะนอกยกเว้นเวลาหลับเท่านั้น <c oughs> กิจกรรมทางจิตใจไม่มีเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาเป็น mm. ผู้ที่จะต้องการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาจึงต้องถือศีลแปลเป็นอย่างน้อย เสียิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีมันยิ่งทําให้ควบคุมการกระทําทางร่างกายให้มันให้มันคล้ายๆว่านั่นเอียดเลยไม่ไหมไม่มีช่องให้มันไปทําอะไรนอกจากเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวอ่าเชิญอ่าทางนู้นก่อนก็ได้ใครอยากจะถวายน้ำก็ถวายนะพอดีหิวน้ำไม มีน้ำที่ถวายไหมครับไม่ไม่เนี่ยคนเดียวก็คนเดียวก็พคนเดียวไอ้น้ำมาวางไว้นานแล้ไม่ได้เปิดโอกาให้เขาถวายเอาไม่ก่อนเอาไม่ก่อนก่อ you understand ภาษาไทยภาูาไทยได้นะอายุสปีแล้วปีปปี บวนได้เท่าไหร่สิบสองรรษาซีเปีรันาเสมนณ์ปีหนึ่งครับมาจากบราซิลบราซิลอยู่กับอาจารย์เปียกบอาจารย์เปียกบวชที่วัดป่านาชาติอยู่ที่วัดมอตปะโปงตอนนี้มาอยู่กับอาจารย์เปียกที่ปทุมธานีพูดไายได้แล้วิ่งานก็ต้องพูดนอนกว มเมื่อกี้จะถามนายเชนรู้เสียงได้ยนนะินไห<ผ>มทั้งนั้นได้ยินครับอาจารย์อาจารย์ครับเบียนถามพอาจารย์นะครัผมเป็นสองส่วนครับส่วนแรกเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของคนที่ทั่วไปนะครับคื อ, รอกระผมจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่ยูรปุตนะครับยูรปุตที่กาสมาคงอันนี้ ในในการอบรมเนี่ยจะพยายามออบอกผู้ที่เข้ามาปฏิบัติว่าอย่าอย่ามีความอยากคือเวลามาภาวนาทุกคนที่มาส่วนใหญ่นะครับท่านผมูมาเนี่ยเขาจะมาอยากจะให้ได้สมาธิอยากจะได้บรรลุมรรคผลพอมาด้วยความอยากแล้วบางครั้งก็ปฏิบัติด้วยความเข้มมากสอบเข้มมากนี่ก็ ตึงปวดหัวบางคนเนี่ยยกีู้มาปฏิบัติบางคนเนี่ยหกเจ็ดวันแล้วยังไม่นอนทั้คืนเลยก็ยังมีก็ต้องใช้ทางสายกลางที่พระเจ้าทรงเคยปฏิบัติมาฟองก็ทรงเคยทรมานตนจนเลยขอบเขตไปในที่สุดก็ต้องกลับมาที่ทางสายกลางท่านทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับสายพินถ้าเราเขึงมันตึงไปมันก็ขาด ถ้าถึงมันหย่อนไปมันก็เด็ดไม่ได้เสียงยงนั้นการปฏิบัติก็ต้องให้มันพอดีกับกำลังของเราแล้วก็ให้ยินดีกับเหตุที่เราทำอย่าไปตั้งเป้าอยู่ที่ผลผลมันจะเกิดจากเหตุที่เราทำถ้าเราทําเหตุถูกผลมันก็จะออกมาเองถ้าเหตุเราไม่ถูกผลมันก็ไม่ออกมายานันให้ใจเราดูที่เหตุเป็นหลักเวลาเราภาวนา ว่าเรากำลังภาวนาถูกต้องหรือเปล่าเช่นเวลาเราเจอเจริญสติใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าถ้าคิดอยู่คิดถึงความอยากคิดถึงผลที่อยากจะได้มันก็จะไม่มีวันที่จะได้ผลนั้นเพราะผลไม่เกิดจากการคิดผลมันเกิดจากการหยุดคิดการภาวนานี้เราต้องการหยุดความคิดต่างๆพอจิตหยุดคิดแล้วมันก็จะเกิดความสงบเกิดเป็นฌานระดับต่างๆขึ้นมา ยันอย่าไปดูที่ผลเวลาภาวนาเวลาปฏิบัติให้ดูที่เหตุให้จุดจ่ออยู่ที่เหตุให้ทุ่มเทกำลังจิตกำลังใจอยู่ที่เหตุอย่าไปอยู่ที่ผลแล้วก็ให้ทำตามกำลังที่เรามีอยู่บางคนทำได้มากบางคนทำได้น้อยถ้ามันทำแล้วมันเกินเหตุเกินผลมันก็จะไม่ได้ผลเกินกำลังก็ไม่ได้ผล อยากจะได้ผลเร็วๆเจ็ดวันเหมือนเห็นบางคนเห็นเขา้าบรรุเจ็ดวันก็อยากจะได้เจ็ดวันแต่ถ้าเราไม่มีเหตุที่จะทำให้บรรย์ได้เจ็ดวันมันก็ไม่บรรลุเห็นเราอย่าไปคาดคะเนที่ผลให้เราดูที่เหตุว่าที่เรากำลังทำอยู่นี้เราทำได้มากน้อยเท่าไหร่เราก็ทำไปตามกําลังของเราไม่ช้าก็เร็วมันก็จะได้ผลเหมือนกัน เมีญาติธรรมกับผมบอกว่าถ้าผมไปแนะนำเขาอย่างนี้คนส่วนใหญ่จะไม่ใช่มาแบบชนิดที่ว่าเอาเร่งเร่งความเพียรปฏิบัติแล้วก็แล้วก็สู้ตายประเภทอย่างนั้นนะฮะก็จะย่อหย่อนในการปฏิบัติคือเขาแนะนําว่าให้ให้ลุยไปทางด้านว่าลุยแบบของหลงตาหมหาบัว่าสู้ตายเลยเสร็จแล้วเนี่ยพอไปถึงสุดแล้วเจอ เจอทางปันก็ให้ค่อยถอยถอยความอยากลงมาประมาณอย่างนั้นแะคือคล้ายๆบอกว่าให้ให้ลุยหนักไปก่อนแล้วค่อยถอยย้อนลงมาแทนที่จะเริ่มต้นจากกลางๆไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ก็ไปปฏิบัติการเอาเองก็แล้วกันก็ดูแล้วก็วัดกันที่ผลก็แล้วกันว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรผลมันเกิดจากเหตุ งันก็ให้ดูที่เหตุว่าเราสร้างเหตุที่ที่ถูกหรือเปล่าถ้าเหตุที่ถูกผลมันก็ต้องเกิดทีนี้จะให้มันเร็วหรือช้าก็อยู่ว่าเราทำมากทำน้อยเช่นเราตักน้าใส่ตุ่มวันละขันกับตักน้าใส่ตุ่มวันละร้อยขันนีอันไหนมันจะเต็มมันจะเต็มเร็วกว่ากันที่คนที่ตักนี่มันมีกำลังที่จะตักร้อยขันหรือเปล่า เมื่อมันอยากจะตักร้อยขันมันตักไม่ได้มันก็มันก็ต้องหยุดตรงที่มันตักได้นะเช่นอาจจะตั้งเป้าว่าจะนั่งหกชั่วโมงเงี้ยพอนั่งเข้าไปจริงๆนั่งได้แค่สองชั่วโมงก็ลุกเนี่ยก็ความจริงมันก็จะฟ้องของตัวมันเองแหละมันไม่ได้อยู่ที่การตั้งเป้าของเราตั้งเป้าแบบไม่มีเหตุมีผลมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้เช่นบอกเอาเลยยอมตายเลย พอไปเจอความตายเขาจริงๆก็ถอยกลูวเนี่ยพอไปเจอเสือได้ยินเสือคำรามนี่ก็กลับบ้านก่อนแล้วใช่ไหมเวลาเวลาตั้งเวลาความคิดเนี่ยมันคิดได้แต่เวลามันทํานี่มันจะทําตามที่ความคิดได้หรือเปล่าดงนั้นอุปสรรคมันไม่ได้อยู่ตรงที่การจะรวยหรือไม่รวยมันอยู่ที่ว่าการกระทําของเรานี่มัน เป็นการกระทำเหตุที่มันถูกหรือไม่ถูกมากกว่าถ้าเหตุที่มันทําแล้วมันไม่ถูกมันต่อให้ทํามากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีแต่ถ้าเหตุถูกแล้วทํามากทําน้อยผลมันก็จะเกิดมากเกิดน้อยตามเหตุที่ถูกนั่ น, นก็ต้องดูที่เหตุแล้วก็ดูที่กําลังความสามารถของตนไม่ใช่เห็นคนอื่นเขาทาอย่างนั้นได้แล้วเราจะทํานี้ได้ อย่เด็กทุกคนในโรงเรียนก็เรียนให้มันจบสี่จุดกันทุกคนเลยใช่ไหมมันมันอินรีย์พระลรของแต่ละคนมันไม่เท่ากันฉะนั้นก็แต่ละคนผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้รู้รู้รู้กำลังของตนเองรู้ว่าตนเองทําได้มากน้อยเท่าไร่อย่าไปวัดกับคนอื่นเพราะถ้าเราไปวัดแล้วมันจะทําให้เราถ้าคนอื่นเขาเก่งกว่าเราก็จะทําทให้เราท้อได้ ถ้าคนอื่นเข้าด้อยกว่าเราก็จะทำให้เราประมาทได้งั้นเราวัดที่ตัวของเราเองวัดที่กำลังของเราหรือถ้าจะดูคนอื่นก็ดูเพื่อให้เป็นกำลังใจถ้าเห็นว่าคนอื่นเขายั ง, งเขายังดีกว่าเราก็แสดงว่าเราอาจจะไม่ทุ่มความเพียรเท่าที่ควรเราก็ลองทุ่มไปแต่เมื่อเราทุ่มแล้วเราก็ยังสู้เขาไม่ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าเราก็ได้แค่นี้แหละก็ต้องยอมรับ ตามเหตุนยเหตุมันเป็นยังไงผลมันก็จะเป็นอย่างนั้นผมขออนุญาตนำคำแนะนำนี้ไปใช้ให้กับผู้ปฏิบัติในคอร์สนะครับผมทำไปตามกำลังของตนแล้วก็ทำให้ถูกอย่าไปทำแบบผิดแล้วก็ทุ่มไปสุดๆทุ่มไปสุดๆกับเหตุที่ผิดผลมันก็ไม่มีวันเกิดขึ้นอยู่ดี ต้องเหตุถูกแล้วก็ทุ่มไปเท่าที่เราจะทุ่มได้แต่อย่าไปดูผู้อื่พระพุธเจ้าจึงแยกไว้ไว้าบางคนเจ็ดวันก็ได้บางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีให้ดูดูที่ในท้ายสติปัฏฐานสูตรไหมเคยอ่านไหมทำไมท่านไม่บอกว่าเจ็ดวันทุกคนนะใช่ไหมไปสอนเขนตรงนั้นนะบอกว่าพระพุธเจ้ายังบอกเลยว่าบางคนก็เจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือน บางคนก็เจ็ดปีทั้งทั้งที่ทุ่มเทเท่าเๆกันหมดนี่แหละแต่ความสามารถมันไม่เท่ากันปัญญาความฉลาดแหลมคมไม่เท่ากันเวลาแสดงทำขั้งแรกให้พระปัญจวัคคีย์ฟังห้ารูปทําไมบรรลุรูปเดียวทําไมไม่บรรลุทีเดียวพร้อมกันก็เป็นเป็นเพื่อนกันปฏิบัติธรรมาร่วมกันได้ฌานได้สมาธิมาเหมือนกันแต่ ความรู้ความฉลาดนี้ไม่เหมือนกันบางคนฟังหนเดียวเข้าใจบางคนต้องขอฟังสักสองผลสองสามผลถึงจะเข้าใจต้องอธิบายให้มันละเอียดขึ้นถึงจะเข้าใจเพราะฉะนั้นเรื่องของสติปัญญาคือเรื่องอินรีพระห้าเนี่ยมันไม่เท่ากันรู้จักอินรีพระห้าไหศรัทธาอ่าเนี่ยมันมีไม่เท่ากันมันเลยทาให้ผล และการปฏิบัติของแต่ละคนนี้มันไม่เท่ากันเอ็ให้ดูที่ตัวนี้ดูที่ตัวเราว่าเอซีของเราไปมีขนาดไหนอย่าไปเรียนแบบผู้อื่นของยี่มันเรียนแบบไปไม่ได้อันนี้จะผมขอนิย่าถามเกี่ยวกับสภาวะธรรมเวลาที่เกิดพบในการปฏิบัตินะครับผมคือผมก็เคยเกิดเวทนาจากการเจ็บป่ยวย น, นะครับผม ก็ใช้วิธีการเอปฏิบัติพอเวลาพานาสามารถที่จะแยกเห็นเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นเวทนาส่วนหนึ่งแล้วก็ยังเห็นจิตที่อยากหรือจิตที่คิดอีกส่วนหนึ่งพอเห็นแยกอย่างนี้ก็ความรู้สึกเป็นทุกข์ในใจนี้มันก็มันก็หายไปก็สามารถที่จะได้ภาวนาจนจนสว่างได้ แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเกิดอาการทุกขเวทนาจากการเจ็บป่วยก็จะใช้วิธีอันนี้เนี่ยครับผมในการพิจรารณาดูระยะหลังก็เสริมก่อนที่จะพอนาเสริมมรณา น, านุสติแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างกะว่าอาจจะว่าไม่ไม่ได้เห็นวันพรุ่งนี้แล้วก็ก็นาในช่วงนั้นเนี่ยจะเกิด ความรู้สึกว่าตอนที่กําลังเดินจงกลมอยู่เลยก็แล้วผมจะความรู้สึกว่าเ อ, อทุกอย่างเนี่ยราบเรียบเสมอเหมือนกับหมดเลยไม่มีไม่ ม, ม, มีร่างกายเราไม่มีโตเตอร์อะไรพนี้เหมือนกับมีมีเหมือนกับมันลาบไปเป็นเป็นพื้นตลายอะไรประมาณนะเป็นผู้อิสระไปอันนี้เป็นความรู้สึกอันนี้ขึ้นมานะ แล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ว่าเวลาภาวนาอยู่เนี่ยขณะที่มีสติสมาธิแจ่มแจ่มใสชัดเจนจะจะเกิดเกิดรู้เห็นตัวจิตเนี่ยมันดับแับไปรับไปรับไปคือเคยเห็นเห็นเห็นความเกิดดับของเวทนาเคยเห็น เ, เห็นความเกิดดับของความคิดก็เคย แก่การที่เคยการที่เห็นสภาวะจิตที่มันดับไปแป๊บแป๊บนึงเนี่ยก็ทําให้ความรู้สึกว่าเอ๊ะกระทั่งจิตที่ตัวเรายังยังไม่มีประมาณนั้นนะครับผมคือการเห็นต่างๆานี้มันเป็นการเห็นเพื่อเสริมสติปัญญาเท่า น, นั้นเองที่เป็นเครื่องมือยังไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการเห็นจริงๆ สิ่งที่เราต้องการเห็นจริงๆก็เห็นเห็นทุกสมุทัยนี่โรดมากตอนนี้เราเห็นมากแต่เรายังเราไม่เห็นตัณหาสมุทยัยเราไม่เห็นทุกเราต้องเห็นว่าเวลาทุกเกิดขึ้นนี่มันเกิดจากสมุทยัยคือตัณหาความอยากแล้วเราต้องใช้ปัญญาที่เราเห็นเนี่ยมาใช้ละสมุทัยให้ได้เพื่อดับความทุกข์อันนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นธรรม ประเด็นอยู่ตรง น, น, งนี้แก่นอยู่ตรงนี้แก่นอยู่ตรงอริยสัจสการเห็นว่าร่างกายไม่มีตัวตนเห็นว่าจิตไม่มีตัวตนนี่มันเป็นปัญญาเป็นเครื่องมือที่จะมาสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางจิตถ้าเห็นแล้วแต่ยังไม่อปล่อยวางยังยึดติดอยู่กับร่างกายยังยึดติดอยู่กับจิตอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนการได้มีดมาแต่ไม่เอามา เอามาใช้ประโยชน์เอามาวางไว้เฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรปัญญานี่มีไว้เพื่อละตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์เอ้ยเราต้องดูที่ตัวทุกข์เป็นหลักเวลาใจเราทุกข์นี่เรามีปัญญาเห็นว่ามันเกิดจากตัณหาหรือเปล่าแล้วมีปัญญาที่จะใช้มาละตัณหาได้เปล่าเช่นเวลาเราทุกข์กับความตายอย่างนี้ เราก็ต้องเอาปัญญามาใช้กับการละตัหาก็คือบอกว่าร่างกายนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นตัวเราหรือไม่ใช่เป็นตัวเรามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราแล้วเราไปหวงมันทำไมก็อยากให้มันอยู่ทำไมแล้วเราห้ามมันไม่ห้ามไม่ให้มันตายได้หรือเปล่าก็ห้ามไม่ได้แล้วเราทุกข์หรือไม่ทุกข์เวลาที่มันตาย่าเงี้ย ถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเรายังยึดติดอยู่เรายังอยากไม่ให้มันตายเราก็ต้องมาละตัวความอยากนี้ให้ได้ละด้วยปัญญาที่เราเห็นว่าออร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะแล้วเราจะไปหวงมันไทําไมก็ให้มันไปเสิมันไม่ใช่ของเรามแล้วยังไงเราก็ห้ามมันไม่ได้หวงมันยังไงมันก็ไปอยู่ดีแต่หวงแล้วมันทําให้เราทุกข์ถ้าไม่หวงแล้วเราไม่ทุกข์ เราจะอาทุกข์กไม่เอาเนิ่มเรื่มไม่ทุกข์อ่ะถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องปล่อยเราก็ต้องยอมมันไปยอมตายไงพูดไ ง, ไง่ายๆพอเวลาเราไปเจอความตายแล้วเรายอมตายได้นี้มันจะหายทุกข์ปัญหามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ตัวทุกข์ที่เรามาปฏิบัตินี้เพื่อมาแก้ตัวทุกข์แล้วตัวทุกข์ก็เกิดจากตัณหาความอยาก กับผมใช้วิธีที่ท่านอาจารย์แนะนำในตอนขึ้นเตียงต่าตัดนะครับก็พิจะะารณาอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าความรู้สึกที่ว่ากลัวนี้มันมันไม่มีแล้วจิตก็จิตก็สงบ พ, พอพอได้สมาธิ่พ๊บเนี่ยอตอนก่อนเข้าเขาจะมีการวัดวัดเอกเอกีดจเออมันก็ต่ำต่ำต่ำจนัันเครื่องมันรองตวต้าตูต้า พวพยาบาลพวกหมอทำอะไรคิดว่าสลบคิดว่าช็อกเลยนึกนะครับพอพอเราพอกมาปุ๊บเราก็หยุดหยุดหยุดพาวนามันก็ขึ้นมาพอเขาไปพวกเราพรวนอีกทีมันก็ลงไปทันทีเลยสายน้องหัวใจมันลงไปต่ํากว่า 4.5 เครื่องก็จะล้องนะครัผมตอนหลังก็เลยทําไม่ได้เพราะว่าถ้าทำไม่เดี๋ยวเขาคงไม่ให้ผมเข้าห้องผ่าตัดแต่ก็ตอนนั้นก็ใช้ความ ความรู้ปัญญาที่จากการภาวนาเนี่ยมาพิจารณาพอพิจารณาแล้วเนี่ยความรู้สึกกลัวมันมันไม่มีนั่นแหละการที่เรามีปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี้ก็เพื่อที่จะมาใช้ละตันหาความอยากละความหลงที่ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราถ้าเราละความหลงได้เราก็จะละตันหาได้ละอุปทานได้มันก็จะละความทุกข์ความกลัวได้ เห็นเวลาคนนั่งภาวนาแล้วเห็นนู่นเห็นนี่อย่าเพิ่งไปคิดว่าเห็นธรรมนะเห็นส่วนหนึ่งเห็นส่วนที่เป็นมรรคหรืออาจจะไม่เป็นมรรคก็ได้บางทีสิ่งที่เห็นมันไม่เป็นมรรคก็มีไปเห็นของสวยๆงามๆนี่ก็คิดว่าเป็นมรรคขึ้นมามันไม่ใช่ของสวยของงามมัน้มักจะเป็นกิเลสมากกว่าต้องเห็นของที่ไม่น่าดูเช่นเห็นอสุภะนี่เห็นความตายอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ว่าเป็นมรรค ถ้าไปเห็นปาษาสวิจิตพิสดารเห็นสาวเห็นหนุ่มเห็นสาวร่มร่างหน้าตาสวยงามนี่อย่าไปคิดว่าเป็นมรรคเป็นอันนั้นมันเป็นกิเลสละต้องเห็นส่วนที่มันเสื่อมเห็นการเสื่อมเห็นการไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆแต่โดยปกติคนที่มีกิเลสจะไม่ชอบเห็นอย่างนี้เวลาเห็นอย่างนี้แล้วกลัวแล้วไม่อยากจะภาวนา บางคนเว่านั่งก็ไปเจอผีไปเห็นซากสมนี่กลัวละไม่อยากจะภาวนาแล้ะแต่ถ้าคนมีปัญญาเขาบอกโอ้นี่ของดีเห็นแล้วจะเตือนสติให้เราตรงคนที่งอเวลานั่งอยากจะเห็นของสวยๆงามๆได้แล้วก็ติดเวลานั่งทุกครั้งก็อยากจะเห็นแต่ของสวยๆงามๆพอไม่เห็นก็ใจก็เสียใจก็ไม่สุขอกีกละ การนั่งสมาธิก็ต้องระวังเบื้องต้นนี้อย่าไปเห็นดีที่สุดพยายามทําใจให้เข้าสู่อุเบกขาเข้าสู่ความว่างเข้าสู่เอกขักตารมคือให้เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวอันนี้นะเป็นทีเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นกําลังของจิตอยู่ตรงนั้นถ้าจิตมีฐานมีสักแต่ว่ารู้มีแต่อุเบกขาเวลามันไปเจออะไรเข้ามันก็จะไม่หวั่นไหว ถ้ามันไม่มีพอเจออะไรมันจะเกิดอาการหวั่นไหว ส, สะทกสะทานใจขึ้นมา<อ>กับสิ่งที่ไปรับรู้น เ, เราต้องการสร้างฐานของจิตสร้างพลังของจิตให้นิ่งให้แน่นแข็งให้เป็นเหมือนก้อนหินเวลาจะไปกระทบสัมผัสกับภัตสะต่างๆจะเฉยจะไม่หวั่นไหวแล้วถ้าเกิดตันหาความอยากก็สามารถใช้ปัญญา มาดับมันได้ขอคำถามสุดท้ายขอรับกับผมเกี่ยวกับเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรขอรับประโยคที่ในในมหาสติปัฏฐานสูตรเพราะว่ารู้กายในกายภายในอยู่รู้กายในกายภายนอกอยู่มีคำพัชญายัมีสติกําจัดอภิชาโทมานัตในโลกได้คาว่ากายในกายภายในนี่ผมเข้าใจว่ากายในกายของเราคณะนี้กายในกายภายนอก ไม <im iter> 谢谢่ทราบว่าเป็นอะไรครับกายนอกกายในก็กายในก็ร่างกายเรากายนอกก็ร่างกายของคนอื่นเราต้องการดูร่างกายทั้งหมดว่าเหมือนกันดูคนอื่นด้วยดูร่างกายของเราด้วยเหมือนกันร่างกายของเราแก่เจ็บตายร่างกายของคนอื่นก็แก่เจ็บตายร่างกายของเรามีอาการ32ร่างกายของคนอื่นก็มีอาการ32ร่างกายไม่มีตัวตน ของเราก็ไม่มีตัวตนของคนอื่นก็ไม่มีตัวตนเช่นตัวพ่อก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้ตัวแม่ก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายตัวลูกก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้เวลาพ่อแม่ตายเราจะได้รู้ว่าเขาไม่ตายเราจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นเพียงร่างกายของเขาที่เขาใช้เป็นเครื่องมือในการทำอะไรต่างๆตามความอยากของเขาพอร่างกายนี้ตายไปเขาก็ไปหาร่างกายนใหม่ ไปเกิดใหม่ถ้าเขายังมีความอยากอยู่เราก็จะได้ไม่ร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาที่พระพุทธเจ้าตายไปเวลาคูบาจารย์ตายไปเวลาพ่อแม่ตายไปเวลาคนที่เราล่างตายไปเราจะรู้ว่ามันเป็นเพียงตุกกตาตัวหนตัวตัวเจ้าของตุกกตาไม่ได้ตายไปกับเจ้าของตัวเจ้าของตุกกตาก็ไปหาตุกกตาตัวใหม่มาเล่นต่อมันก็จะไม่มีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ ร่างกายของเราตายไปเราก็จะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจเราก็จะรู้ว่ามันเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาเพื่อเพื่อมาใช้เป็นเครื่องม้เครื่องมือหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกกันถ้าเราไม่มีร่างกายนี้เราก็ไม่มีตาหูจมูกนิ้งกายเราก็จะไม่สามารถเสกรูปเสียงกลิ่นรสได้นี่คือการพิจารณาคือของเราด้วยของคนอื่นด้วยเพื่อมันจะได้เขาเรียกว่าสมดุล บองทีเราพิจารณาร่างกายของเราคนเดียวเราคิดว่าเราคนเดียวที่จะตายเราไปเราไปลืมเรื่องคนอื่นพอไปมองคนอื่นก็คิดว่าเขาเขาจะไม่ตายพอเขาตายขึ้นมาเราก็เดือดร้อนแทนเขาได้เราต้องพิจารณาทั้งกายเราทั้งกายเขาเวทนาของเราเวทนาของคนอื่นเวลาเราเจ็บเป็นยังไงเวลาเขาเจ็บเขาก็เจ็บเหมือนกัน แต่คาว่ากายในกายเวทนาในเวทนาเรายังแปลไม่ออกว่ามันความหมายว่างไงคือมันอาจจะเป็นภาษาที่เขาใช้กันในอดีตเพื่อย้ำให้รู้ว่าเราพูดถึงร่างกายแต่เราดูเวลาที่ท่านขยายความหมายมันก็ให้เรารู้ร่างกายรู้ธรรมชาติของร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นอย่างไรเที่ยงไม่เที่ยงเป็นตัวเราหรือไม่เป็นตัวเราคือให้เราเห็นตายลักในในร่างกายนี้ท่น เห็นตายรักในเวทนาเห็นตายรักในจิต <iles> เพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางมันอย่าไปมีตัณหาเกิดขึ้นกับร่างกายอย่ามีตัณหาเกิดขึ้นกับจิตอย่ามีมตัณหาเกิดขึ้นกับเวทนาเห็นเวทนาก็อย่าไปอยากให้มันสุขแล้วก็อย่าไปอยากให้ทุกข์หายไปมันต้องเกิดสลับกันไปสลับกันมาเราอยากแล้วมันจะทาให้ใจเราเกิดทุกข์ในอริยสัจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ที่เราต้องการกาจัดก็คือทุกในอริยสัจ ท, ทุกกายไม่ไม ห, นหนักหนักหนาสาหาัสเหมือนกับทุกในอริยสัจ ท, ทุกใจทุกใจเกิดจากตัณหาความอยากเพราะว่าไปหลงไปยึดไปติดกับเวทนาสุขเวทนาเพียงอย่างเดียวพอเกิดทุกเวทนาก็เกิดตัณหาอยากจะให้มันหายพอเกิดใจ อยากให้มันหายมันก็ทุกใจขึ้นมาเรือเวลาสุขเวทนาหายไปก็เสียใจทุกใจขึ้นใหเพราะอยากจะให้สุกเวทนาอยู่ต่อเช่นเวลาสูญเสียคนรักไปนี่ก็เหมือนสูญเสียสุกเวทนาไปเพราะเวลาอยู่ใกล้คนรักนี่มันเกิดสุกเวทนาขึ้นมามันก็อยากจะให้คนรักอยู่กับเราต่อพอเขาไม่อยู่ขึ้นมาก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทุกข์ภายในใจ ทุกเวทนาด้วยทุกภายในใจด้วยเราต้องการหยุดตันหาความอยากแล้วเราจะมีแต่เวทนาทางร่างกายเพียงอย่างเดียวที่ไม่หนักหนาสาหัสเหมือนกับความทุกข์ทางใจใเวลาไม่มีความทุกข์ทางใจร่างกายจะเจ็บป่วยขนาดไหนมันก็อยู่ได้พระพุทธเจ้านี่ท่านไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องมีอะไรเจ็บของท่านแข็งมาก รับรู้ความเจ็บของร่างกายได้แต่ก็มีบอกเหมือนกันว่าเจ็บเหนื่อ ย, อยบอกพระอานุ์บอกว่าเอ้ยร่างกายมันเหนื่อยเกินเอาน้ํามาให้ดื่มหน่อ ย, น, ยนี่นไม่ใจไม่ได้เหนื่อยนะที่เหนื่อยก็คือร่างกายร่างกายมันขาดน้ํามันก็เหนื่อยก็บอกให้อานา์ไปหาน้ํามาให้ดื่มหน่อยก่อนอาจจะไปคิดว่าพระพุทธเจ้าก็มีความทุกข์เหมือนกันทุกข์ใช่ทุกทางกายเหมือนกัน ทางกายนี่พออาระอรหันทรับคนปะุะ ท, ทุชนบุตรชนธรรมดานี่ทุกข์เหมือนกันแก่เหมือนกันเจ็บเหมือนกันตายเหมือนกันแต่ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายปุตุชนนี่พอรู้หมอบอกว่าเป็นมะเร็งเดือนอีกสามเดือนนี่ใจมันซุดลงไปที่ใต้เท้าเลยไม่มีแต่ถ้าเป็นของพออาระอรหันี่หรือพระโสดาบันขึ้นไปนี่เขาจะเฉยเฉยรู้อยู่แล้วมันจะต้องตาย จะไปอะไรกับมันมากมายเ ข, เขาทำใจได้แนละ้วเขาปล่อยวางร่างกายได้แนละ้วเขาก็เลยไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายจะตายการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่นี้ก็เพื่อที่จะมาละตันหาความอยากเพื่อจะดับความทุกข์ใจจะเห็นมีดวงตาเห็นธรรมก็ต้องเห็นตรงนี้เห็นที่อริยสัจสี่เห็นที่เวลาใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วมีปัญญามาละตัหาว่า ทุกกับร่างกายก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราทุกกับความตายก็เห็นว่าร่างกายต้องตายพอมันเห็นอย่างนี้มันก็ปล่อยพอปล่อยมันก็ตัญหามันก็ดับตัญหาดับทุกข์ก็ดับไปท่านถึงได้ว่าเห็นมีดวงตาเห็นธรรมเห็นที่นี่เห็นที่อริยสัจสี่ถ้าเห็นความแก่ความเจ็บความตายนี่มันยังเห็นเห็นเป็นมรรคเท่านั้นเอง มันต้องเห็นที่ตัวสมุทยัยแล้วก็ละมันให้ได้คือมันต้องเห็นครบทั้งสี่เห็นทุกสมุทัยนี่โรจน์มากาาาแต่ตอนที่เราภาวนานี่เราพยายามเห็นเห็นมากก่อนเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายที่เป็นอนิจจังอนิจจังนี่ก็เป็นมาก พอเห็นว่ามันเป็นนิจจังแล้วเราจะได้ปล่อยวางอย่าไปฝืนมันอย่ายับอย่าไปอยากให้มันเป็นนิจจังความหลงนี่มันจะหลอกให้เราอยากให้ทุกอย่างเป็นนิจจังใช่ไหมอยากให้ทุกอย่างถาวรทุกอย่างดีไปตลอดไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันสิน้นแต่ความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันต้องมีวันเสื่อมมีวันสิน้นถ้าเราเห็นความเสื่อมเห็นการสิ้นของสิ่งต่า ง, างๆนี่แสดงว่าเรามีสัมมาทิฏฐิ และมาทิฏฐิเป็นองค์ประกอบของมรรคเป็นปัญญาเพื่อที่เราจะได้มาใช้สอนใจให้ปล่อยวางสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปอยากให้เขาไม่เสื่อมไม่สิ้นถ้าไม่มีปัญญาความหนง่มันจะทำให้เราอยากให้ทุกอย่างไม่เสื่อมไม่สิ้นอะไรเป็นของเรานี่เราอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอด แต่เพราะว่าเพราะว่าเรามองไม่เห็นว่าเราไม่เห็นอ น, นิจจังในตัวเขาเเหล่านั้นเราถึงต้องคอยสอนใจให้เห็นอ น, นิจจังเห็นความไม่เที่ยงแท้ถาวรของทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้มาแก้ความหลงพอเราเห็นความจริงแล้วเราก็จะได้คลายความอยากได้ละความอยากอยากให้ไม่เสื่อมอยากให้ไม่สิ้นได้เพราะไม่มีความอยากไม่เสื่อมไม่สิ้นมันก็จะไม่ทุกข์ เวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันสิ้นเวลาที่มันดับไปเมื่อกี้ใครจะถามอะปัญญาปัญญาที่เห็นเอ่ทุกครังอนิจจ า, านัตตาที่เกิดขึ้นเนี่ยครับในพระอริยสงฆ์ปัญญาที่ว่ามันเกิดขึ้ น, น, ญญนเนพราะขมาทางังติันได้หรือว่าเกิดจากการพิจารณานมันแล้วแต่ว่ามันเคยมีมาก่อนก็ไม่มีด้วยบางคนเคยมีมาแล้ว พอจิตสงบปั๊บมันก็สามารถที่จะปล่อยได้ก็มีม่ง่ายก็คือว่าปิบัต ย, ยังไงปต้องจังญญจะรู้เปัญญามันมีเกิดขึ้นได้สามทางไงทางแรกเรียกว่าสุตตมะยปัญญา ได้ยินได้ฟังจากผู้ในวันนี้คนได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องปัญญาด้วยเกิดจากการได้ยินได้ฟังอันที่สองก็เกิดจากการค่ายคิดค่ายควรด้วยตนเองก็ได้มองเห็นอะไรดับเห็นอะไรดับก็คิดว่า อ, อ๋อทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ดับทั้งนั้นบางคนเห็นดอกไม้แล้วมันก็จากที่มันแต่งังสวยงามแล้วพอไม่กี่วันมันก็มันก็ มันก็เฉาเหี่ยวไปเขาก็พิจารณาเห็นอนิจจังขึ้นมาได้มันก็เป็นปัญญาที่เกิดจากความคิดและปัญญาที่เกิดจากการภาวนาก็คือปัญญาที่ปล่อยวางเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็เลยปล่อยวางไม่ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นปัญญาระดับสุดท้ายเป็นปัญญาที่จะดับความทุกข์ได้ อย่างหมอเนี่ยอยู่ใกล้กับศพอยู่เรื่อยๆอยู่ให้คนตายเรื่อยแต่ยังปล่อยไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิแต่ถ้าลองไปฝึกสมาธิดูพอจิตสงบปบั๊บนี่มันก็จะปล่อยวางร่างกายได้พอมีปัญญาเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นว่าร่างกายนี่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เวลาพอเกิดความแก่ความเจ็บความตายกับร่างกายของตนเองเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็เพราะว่าใจไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขา แต่พอไปฝึกนั่งทำสมาธิได้แป๊นี้มันจะทำใจได้มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะได้ให้พรก่อนเผื่อใครอยากจะกลับจะได้กลับได้นะอยากใครอยากจะคุยต่อก็อยู่ต่อได้ใครมีของจะถวายก็ถวายได้นะ ถ้าเป็นของหนักก็ช่วยตั้งไว้ตรงนู้นเลยน้ำวางไว้ไตรงหัวหมุมนั่นเลย <c oughs> เดี๋ยวมีปัญหาทางบ้านหรือเปล่าปัญหาทางบ้านมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกให้ส่งเข้ามาได้นะเนียมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับสำหรับทางบ้านสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับอ่าจากที่ไหนมาดู ต่อไปติดต่อสดได้เนี่ยไม่ต้องมาเนี่ยกําลังถ่ายทอดสดอยู่เนี่ย<ผ> ม, มีเฟซบ <ะ S 3> ุ๊กปะมีครับตามอยู่ครับติดตามก็ดูยังของสดใครดูนะครับอเมื่อก่อนก็ตรวจคนใทยอยู่ฮร<ด>ระหว่างว่างก็ดูถ่ายทอดสดของครูแจ้งกับผม เ, เราอยากจะถามปัญหาก็เข็นส่งข้อความมาได้ถ้าเป็นช่วงที่เปิดให้ถามเน <ผม S 1> ี่ยตอนนี้มีเวลาว่างแล้วก็เลยเปิดให้เขาส่งข้อความเข้ามาครับว่าทางดิฉัอ ผมก็ฟังเทศของหลวงพ่อพุทธมิโยนะครับเรื่องการคัจจุลของพระพุทธเจาท่านเทศถึงต่อที่ว่าก่อนที่ท่านตอนที่พระพุธทธเจ้าติดตั้งศีท่านภาวนายอยู่ที่กลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความวางที่จะถามคือว่าถ้าเกิดวนเวียนอยู่แบบนี้แล้ว ปัญญามันจะเกิดเองหรือว่า อ, อยู่ที่ภาวะของแต่ละคนในคือว่าบารมีของแต่ละคนที่มันจะเกิดขึ้นคือปัญญามันมีมากน้อยต่างกันแต่มันปัญญาที่จะให้เป็นผ้าล า, านนี่ยังมีไม่มียังต้องสร้างกันขึ้นมาต้าองพิจารณาขึ้นมาว่าอยู่แค่ว่าการภาวนาอยู่ในที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างเ ป, เป็น เป็นการพัฒนาที่ถูกต้องแล้วเป็นการทําสมาธิก่อ น, อนก่อ น, อนที่จะเจริญปัญญาได้จิตต้องสงบจิตเป็นอุเบกขาเป็นกลางก่อนพอนจิตสงบแล้วพอถอนออกจากความสงบมา ก, ก็ให้พิจารณาเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใจอยู่เช่นเราทุกข์ใจกับภรรยาก็พิจารณาว่าภรรยานี้ไม่เที่ยงเขาเดี๋ยวก็ต้องตายจากเราไปถ้าเราไม่อยากให้เขาตายจากเราไปเราก็จะทุกข์เช่นเขาไม่สบายเป็นโรคมะเร็งอยู่ในโรงพยาบาล เราก็เป็นห่วงเป็นใ ย, ยทุกข์กับเขาไม่อยากให้เขาตายแต่ถ้าเราพิจารณาปัญญาพิจารณาว่าร่างกายเขาไม่เทีย่ยมเดี๋ยวร่างกายเขาถึงเวลาจะต้องตายก็ต้องตายพอเราเห็นอย่างนี้เราก็ปล่อยวางความอยากไม่ให้เขาตายได้เราก็จะหายทุกข์กับเขาเรื่องที่ผถามก็คล้ายจะเป็นส่วนตัวคือวา่าผมก็พยายามที่จะทําตามที่หลวงพ่อพูดท่านเทศ มันก็เข้าใจอยู่ว่ามันคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออคือว่าเพราะว่ามันทําไปเรื่อยๆนะมันจะอะไรมันจะมันจะเกิดขึ้นมาปัญญาหรือว่าอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นมานี่มันก็เป็นแต่เองตามตามตามสภาพจิตของแต่ละคนไม่หรอกปัญญาถ้ามันมันไม่ศึกษามันไม่เกิดหรอกแต่มันไม่ดูตายรักมันไม่เกิด ต้องเห็นตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะเห็นขึ้นมาจากการพิจารณแบบนี้ครับก็คิดเรื่อยๆเห็นความอวนอยู่เรื่อยๆเดินใจเรื่อยๆเช่นว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของใครก็ตามแล้วพอเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องมาใช้ความจริงอันนี้มันดับความทุกข์เราก็จะใช้มันได้ครับ น, นี่คือปัญหาไปงาหก็คือปัญหาคือบนสู่ตัวไปเป็นตัวของเองนะครับคือว่า ความคิดของตาลักอะไรพวกนี้มันไม่ขึ้นมามันเพียงแต่มันมีอะไรเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเพื่อคิดขึ้นมาผมก็ผมก็ละมันหรือไม่ก็ปล่อยมันแล้วก็เห็นมันมันมันทั้งว่ามีสติดตามมันซะแล้วก็เดี๋ยวมันกับใหม่ก็วนกลับมาที่ที่ลมหายใจคือคือผมยังที่ที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่าเรื่องจารจะถามอาจารย์คือว่า เมื่อวนเวียนอยู่แบบนี้แงบนี้แบบนี้มันจะเกิดอะไรต่อไปคือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณกำลังทำอะไรถ้าคุณทำสมาธิคุณก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าปล่อยให้มันคิดมันก็จะไม่สงบคุณก็จะไม่ได้ผลถ้าคุณต้องการเจริญปัญญาคุณต้องพิจารณาตายรากอย่างเดียวต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราเ น, เนี้อเป็นปัญญาคุณต้องการอะไรก็คนภาวนามันมีสองสอเาเรียกว่าสองห้องเหมือนสองวิชาเรียนจะมาเรียนปนกันไม่ได้สองวิชานี้ต้องแยกเรียตกันเข้าใจไหม<น>เวลาคุณจะทำสมาธิคนก็ไม่คิดเลยไม่พิจารณาเลย<น>คุณต้องการหยุดจิตให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันเป็นอุเบกข า, าไป แล้วพอคุณได้อุเบกขาแล้วนิ่งแล้วทีนี้ถ้าคุณต้องการปัญญาเวลาจิตงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราหรือว่ามันจะเป็นไปของมันเองไม่คุณต้องบังคับต้องสอนมันต้องสอนมันเหมือนกับคนจะเรียน ABC คุณอยู่ดีๆมันจะโผล่ขึ้นมาไหมอยากจะรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเองก็เปล่ามันไม่โผล่หรอกคุณก็ต้องไปท่อง ABC ไปหัดสะกดตัวอักษรอะไรต่างๆมันถึงจะมันถึงจะได้ความรู้ขึ้นมา คุณอยากจะได้ไตายรักคุณกน็นึกถึงเรื่องตายรักอยู่เรื่อยๆคิดถึงเรื่องตายรักอยู่เรื่อยๆเนมันถึงจะโผล่ขึ้นมาไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะโผล่ขึ้นมาให้คุณเองมันไม่โผล่หรอกความรู้ต่างๆอยงนั้นเป็นหมอก็ไม่ต้องทําอะไรเลยไปสมัครเรียนแล้วก็ไม่ต้องเข้าโรงเรียนนั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วความรู้ทางหมอจะโผล่ขึ้นมาเองมันไม่โผล่หรอกพอใจไม่ต้องเรียนทุกอย่างต้องเรียนปัญญาก็ต้องเรียนตายรักก็ต้องเรียน แต่บางคนอาจจะเรียนมาก่อนในชาติก่อนคอยมีมีมามีมาอยู่บ้างแล้วบางคนเห็นตายรักมาตั้งแต่เกิดเลย ก, ก่อนมาเกิดนี้ก็เห็นตายรักมาแล้ว<ม>ก็ไม่ต้องเรียนมากเรียนน้อยหน่อยอาจจะอาจจะไม่เห็นทุกข์ก็ไปดูทุกข์ถ้าไม่เห็นนันนักตาก็ไปดูนักตาดูให้มันครบทั้งสามตัวนี้ถ้าเห็นครบสามตัวนี้แล้วมันก็จะปล่อยวางทุกอย่างได้ไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่าง สมาธิมันไม่ทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาโดยอัตโนมัติสมาธิเป็นเพียงแต่เป็นการสร้างสถานะภาพจิตให้มันพร้อมที่จะเจริญทางปัญญาคนที่ไม่มีสมาธิเรียนหนังสือไม่ได้เข้าใจไหมถ้าใจยังคิดถึงแฟนคิดถึงเรื่องกินเรื่องเที่ยวอยู่นี่มันจะไม่มานั่งคิดอ่านหนังสือฟังเวลาอาจารย์สอนก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะใจมัวๆแต่คิดว่าเดี๋ยวจะไปกินอะไรดีเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนดีจิต ท, ที่ไม่มีความสงบมันก็เป็นอย่างนี้มันมีกามฉันทะ คอยดึงไปเรื่อยมันจะไม่อยากจะคิดทางด้านปัญญามันคิดว่าที่ไหนหน้าเที่ยวที่ไหนหน้ากินมากกว่าจ<ม>ึงต้องมีสมาธิก่อนมีสมาธิแล้วมันก็จะไม่เกิดขึ้นมาเองตายลากมันยังไม่โผล่ขึ้นมาเองคุณต้องคิดนอกจากของเก่าที่มีอยู่มันจะโผล่ขึ้นมาได้ถ้าในชาติก่อนคุณเคยคิดถึงความตายอยู่เรื่อยพอจิตสงบไอ้ไอ้ความตายนี้มันก็จะโผล่มาขึ้นมา ก็ทำไปแต่ไม่ยาวหรอกถ้าทำไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ถึงถ้านั่งคิดมันก็ยาวมันจะถึงไม่ถึงอยู่ที่การปฏิบัติเห็นมถ้าเรายังไม่มีสมาธิก็สร้างสมาธิขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีสมาธิก็ทั้งสร้างสติขึ้นมาก่อนเพราะสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสติก่อน ถ้านั่งแล้วจิตก็ยังวนไปวนมาคิดนู่นคิดนี่นอยู่ไม่สงบสักทีก็แสดงว่าไม่มีสติที่จะหยุดความคิดแต่เดี๋ยวนี้น้อยมากแล้วนะเดี๋นี้ตื่คิดนู่นคิดนี่ก็ไม่ว่าอะไรน้อยไม่ น, น้อยน้อยน้อยก็ยังไม่พอมันต้องไม่คิดเลยมันต้องรวมวุ้บเข้าไปแล้วก็นิ่งตกหลุมตกบอ่ออะไรมันถึงจะเรียกว่าสมาธ<ม>ิอันนี้ยังเป็นเปลือกของสมาธิอยู่ อยังไม่เข้าถึงเนื้อของสมาธิเนื้อของสมาธินั้นต้องเป็นอัปปนาสมาธิจิตรวมลงทุกอย่างดับหมด้ายหมดนิ่งหมดบางทีร่างกายก็หายไปเลยเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้มันต้องลองไปถึงจุดนั้นมันถึงจะมีพลังที่จะมาใช้ทางปัญญาชิดทางปัญญาได้ แล้วก็มาละตันหาได้ละความอยากละ ก, กิเลสได้นี่แบบนี้ก็เรายังไม่ยืนเลยนะเนี่ยไม่ว่าแต่เดินเรายังไม่ยืนเลยนะยังนมลูกโกลนอยู่ <c oughs> ต้องทําเยอะๆต้องฝึกสมาธิเยอะๆต้องมาอยู่วัดนานๆอยู่สองสามวันนี่ไม่พอหรอกปวนเลยไป ห, หวงอะไรไปละอะไรอยู่ <c oughs> อะนี่สิ พยายามตัดไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะมีเวลาได้ปฏิบัติเต็มที่ตอนนี้เราไม่มีเวลาเขา้าใจไหมเวลาหมดไปกับเรื่องอื่นรเรื่องงานเรื่องคนเรื่องอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้เราไม่มีเวลามาฝึกสติได้อย่างต่อเ น, นื่องจิตมันเลยไม่เข้าถึงฐานมันกำลังสติไม่มีกำลังพอที่จะสู้กับตันหาความอยากที่จะคอยดันออกมา กามตัญหานี่มันชอบดันออกมาชอบดันจิตให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเราต้องใช้สติดึงกลับเข้าไปถ้าสติกำลังสู้กามตัญหาไม่ได้มันก็ไม่สงบถ้าถ้าสติมีกำลังมากกว่าการมตัญหามันก็จะรวมก็จะสงบได้นี่เราไม่มีเวลาฝึกสติปล่อยให้จิตมันอยู่ข้างนอกตลอดเวลาทำงานเรื่องต่างๆก็ต้องอยู่ข้างนอกใช่ไหม ทำงานทำการมันก็อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละดีเลอะก็อนน ก, กชั่วโมงครึ่งชั่วโมงประมาณนั่นนะะ <c oughs> ไม่เยอะมากเลถ้าเป็นนักกีฬาก็เป็นแบบมือสมัครเล่นแต่ไปไปตีกอล์ฟแข่งกับเขาไม่ไม่มีวันที่จะได้รางวัลที่หนึ่งหรอกวนที่ตีกอล์ฟนี่เขาว่กเขาฝึกวันละ8ปดชั่วโมงเนี่ยใช่ไหม เราไม่ได้ฝืนไปวันหนึ่งบางทีถ้าเป็นตีกอล์ฟไปตีเพราะเสาร์วันอาทิตย์วันเอือนต้องไปทํางานก็ทําไปเถิดพยายามทําไปการกระ ท, ทา น, นั้นที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมามการเรียนนี้เป็นเพียงเป็นการดูแผนที่ยังไม่ได้ออกเดินทางต้องดูแผนที่ก่อนจะได้รู้ว่าไปทิศทางไหน ถ้าไม่ดูแผนที่แล้วก็ไปผิดทางก็ไปไม่ถึงอยู่ดีดูแผนที่แล้วก็ต้องออกเดินทางถ้าดูแผนที่แล้วยังอยู่บ้านอยู่ก็ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการ จ, จะไปขังก็เป็นส่วนตัวเองจากที่จากที่ผมถามอาจารย์มาไม่ทราบว่าผมดูขผนที่ถูกครั้งยังหรือดูถูกแต่ยังไม่ทําให้ถูกนะ เพราะเวลาดูแผนที่เราดูไปถึงไกลเลยแล้วเวลาออกเดินทางเราจะให้ไปถึงจุดไกลเลยไปไม่ได้มันต้องไปจากจุดต้นก่อนจุดต้นของเราก็คือศีลแปดก่อนเนี่ยต้องถือศีลแปดให้ได้ก่อนเราไม่ถือศีลแปดแล้วเราจะจะไปทางปัญญาเลยเนี่ย ม, มันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกไม่มีทางแต่ว่าเข้าใจแต่ว่าอ่านแผนที่ออกอ่านรู้แผนที่แต่ระดับขั้นตอนการปฏิบัติไม่ถูก ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยในสมัยนี้ต้องการปัญญากันทั้งนั้นเพราะทุกคนคิดว่าฉลาดเรียนจบหมอเนี่ต้องใช้ปัญญามากแสดงว่าเป็นคนมีปัญญาใช่ไหมก็เลยคิดว่าปัญญาทางวุตศาสนานี่หมูหมูมีแค่สามตัวนั้นยากตรงไหนตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่รู้แบบใบลานเปล่ารู้แล้วเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เราะอามาฆ่ากิเลสไม่ได้ใช่ไหม ยังตัดอุปทานต่างๆไม่ได้ยังยึดติดกับสิ่ ง, งต่างๆทงั้งๆที่รู้ว่ามันเป็นตายลักก็ยังตัดมันไม่ได้ใช่ไห ม, มทุกสิ่งทุกอย่า ง, งบางครัง้งบางทีนก็ไม่ได้คิดถึงมันเลยไม่ได้คิดถึงว่ามันคือบางทีกไ็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ารู้มีปัญญาไว้ทําไมใช่ไหม<อ>ปัญญามีไว้ตัดกิเลสรู้เปล่าความาพุกไปพุกมาวกพวกเวรพุกงัน ไม่โง้อหรอถ้าถ้าโง่ก็คงจะไม่ไม่สนใจเลยนี่เพียงแต่ยังไม่ฉลาดมากเท่านั้นเองจะว่าโง่คงไม่โง่แล้วคนที่ไม่สนใจเลยเนี่ยถึงจะเรียกงโง่จริงแต่สนใจแล้วถือศีลมาปฏิบัตินี่ยังไม่โง่รอรล้เพียงแต่ว่ายังไม่ฉลาดพอในชะยังฉลาดน้อยก็ต้องพยายามตอนนี้มาลําดับขั้นตอนการปฏิบัตินั้นมันถูกก่อนดูศีลก่อนดูศีลเนี่เรา สามารถรักษาศีลได้อย่างศีลแปดเนี่ยศีลห้าเนี่ยยังไม่พอสำหรับการปฏิบัติต้องศีลแปดมีทางทางบ้านเข้ามายัางมีแล้วครับอาจารย์เชิญ คำถามแรกจากคุณบายชมภูนะครับถ้าเราเห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สนใจดึงกลับมาที่ลมหายใจเลยได้ไหมคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมานั้นก็ต้องดับไปใช่อยู่ตรงที่ทําทให้มันดับได้หรือเปล่าเท่านั้นล่ะรู้มันรู้จริงอะ่ะแต่รู้แล้วทําให้มันดับได้หรือเปล่าและขณะที่มันไม่ดับนี่เราจะทำไงกับมันมันก็มีวิธีทาให้มันดับ2วิธี วิธีแรกก็คืออย่าไปสนใจมันใช้สติให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมไปไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็ไปเองแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่พอเราเผ้อมันก็กลับมาใหม่ถ้าอยากจะให้มันหายก็ต้องค้นหตุของอารมณ์ว่ามันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากตัณหาความอยากถ้าเราไปละตัณหาความอยากที่ทำให้เกิดอารมณ์นั้นได้ต่อไปอารมณ์นั้นก็จะไม่เกิดอีกต่อไป คำถามต่อไปนะคะจคุณโจไซ ย, ยะค่ะถ้าปฏิบัติแบบวิปัสนาโดยไม่ฝึกสมาธิก่อนได้ไหมครับฝึกได้แต่ไม่ได้ผลนะเพราะว่ามันจะไม่มีกำลังที่จะไปตัดกิเลสตัณหาได้คำถามข้อต่อไปจะคนกรุงเข้าวัดป่านะครับคำถามตั้งมาไม่ค่อยชัดเจนนะครับตอนบวชทาสมาธิ แล้วจิตแบ่งเป็นสามคือจิตสติอารมณ์ที่จิตสติเฝ้าดูจิตคืออะไรครับแบ่งออกผมเรียกว่ามิติของจิตอย่างนี้คืออะไรครับคือในจิตเนี่ยมันก็มีทั้งตัวรู้คือจิตมีอารมณ์แล้วก็สติก็มีบ้างไม่มีบ้างเวลามีสติมันก็จะเห็นอารมณ์เวลาไม่มีสติมันก็จะไม่เห็นอารมณ์ เพรฉะนั้นมันก็การที่เราปฏิบัตินี้ก็เพื่อที่จะให้เรามีสติให้มากๆเพราะมีสติมากๆนี่เราสามารถที่จะหยุดอารมณ์ได้ชั่วคราวแล้วถ้าเราจำการที่จะหยุดอารมณ์อย่างถาวรเราก็ต้องเจริญปัญญาเท่านั้นเพราะสตินี้เป็นเหมือนหินทับญ่าเวลาามีสติปั๊บอารมณ์ต่างๆก็หายไป แต่เราไม่สบายใจเราพุทโธพุทโธไปสักระยะหนึ่งจิตสงบความไม่สบายใจนั้นก็หายไปแต่ทอนเดี๋ยวเราไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจใหม่ความไม่สบายใจมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราใช้ปัญญาไปพิจารณาเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจว่าเป็นตายรักได้เห็นว่าเป็นตายรักได้เราปล่อยวางได้ต่อไปมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาอีก คำถามจากคุณศิริวันนะคะการอยู่ในสัตชิกจะง่วงตอนเช้าขอโทษค่ะจะง่วงตอนทาวัดเช้ามากอยากทราบว่าร่างกายไม่ไหวหรินวนมากันแม่เจ้าคะก็มันไม่ได้หลับนอนมันก็ต้องง่วงเป็นธรรมดาละ่ะยี่ที่ท่านถือสามลียาบทก็คือถ้าจะหลับให้มันหลับในสามท่านั่นอย่าไปหลับในท่านอนเพราะถ้าหลับในท่านอนมันจะหลับยาว ผู้ที่ถือในสัตชิกนี่อยากจะหาเวลามาปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็เลยถือสามวิริยาบุญั้นเรื่องความง่วงมันต้องง่วงแน่นอนนะคนที่ถือในสัตชิกเองแต่ว่ามันอาจจะนั่งหลับไปเดียวๆสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็จะตื่นแต่ถ้ามันนอนนี่มันจะสี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงไปเลยคำถามต่อไปจากคุณพลับพึ่งค่ะ เวลามีคนมาพูดกับเราว่าเดี๋ยวนี้ไม่อยากทำบุญกับพระเพราะไม่รู้ว่ารูปไหนใช่หรือไม่ใช่เพราะเห็นพระไม่ดีเยอะมากมส่วนตัวลูกอยากตอบเขาและแนะนำเขามาก ๆ, ๆ, ๆเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องการทำบุญที่ถูกต้องแต่ก็พิจารณาแล้วว่าพูดไปก็เท่านั้นคนเรามีการเป็นของตัวเองก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยะล่ะ เ, เพราะว่า ปลาทูเน่าตัวเดียวมันไม่เราไม่ควรที่จะโยนไปทิ้งไปทั้งเข่งนะตัวไหนเน่าเราก็เลือกเอาตัวที่เน่าทิ้งไปเก็บตัวที่ดีไว้กินได้พระที่ไม่ดีก็มีพระที่ดีก็มีก็ต้องขยันรู้จักแยกแยะรู้จักหาถ้าเรายังอยากจะทําบุญกับพระอยู่ก็ต้องไปหาพระดีๆทําแต่ถ้าเราไม่อยากจะทําบุญกับพระทําบุญกับอย่างอื่นก็ได้ทําบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ทําบุญกับโรงเรียนก็ได้ ทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาอันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันประโยชน์คือบุญนี้ได้เท่ากันแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยนี่มันต่างกันถ้าเราไปทำบุญกับวัดเราก็จะได้ธรรมะถ้าเราไปทำบุญกับโรงพยาบาลเราก็จะได้รู้จักวิธีรักษาโรคภายไข้เจ็บถ้าเราไปทำบุญกับโรงเรียนเราก็จะได้วิชาความรู้ทางโรงเรียนได้ปริญญาได้อะไรต่าง นั่นมันอยู่ที่เราต้องการผลอะไรจากการทําบุญถ้าเราอยากได้ธรรมะเราก็ต้องไปทําบุญกับวัดเท่านั้นอ่ะเพราะวัดเป็นที่มีธรรมะแห่งเดียวถ้าอยากจะได้ความรู้ทางโลกเราก็ไปทําบุญกับทางสถาบันการศึกษาต่างๆเขาก็จะมีการสั่งการสอนวิชาความรู้ต่างๆให้เราได้นั่งเรียนแต่เราอยากจะได้การดูแลรักษาพยาบาลที่ดีเราก็ไปทําบุญที่โรงพยาบาลกัน เร่งโรงพยาบาลเขาจะได้มีบุคลากรมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีมาไว้คอยรักษาเรานี่ก็คือเรื่องปกติเป็นธรรมดาทุกแห่งทุกคนในโลกนี้มันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีปะปนกันไปคนที่ไม่อยากจะทำบุญนี่เล็กๆอาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากจะทำามื่พอมีอะไรให้มาเป็นเหตุหน่อยก็เลยดีใจว่ากูไม่ต้องทานะ ขันต่อนะคะลูกควรจะชี้แนะแนวทางที่ถูกให้เขาฟังหรือเอาตัวเองให้รอดก่อนดีคะถ้าพูดแล้วเขาไม่ฟังก็ก็ไม่ต้องไปพูดถ้าเขายังฟังเราอยู่ก็พูดอย่างที่อธิบายให้ฟังไปถ้าเขาไม่สนใจเป็นเหมือนกับนลวงตาบอกว่าถ้าเทน้ําใส่หลังหมาแล้วมันก็สะบัดทิ้งหมดก็อย่าไปเทให้มันเสียเสียน้ําเลย ถ้าพูดไปแล้วเขาปฏิเสธไม่ยินดีที่รับฟังสิ่งที่เราพูดเราก็อย่าไปพูดให้มันเสียเวลาคำถามข้อต่อไปจากคุณนาวิพลนะครับการล่วงสีในข้อเดียวกันสำหรับบารปรชิตกับคาลวาดเช่นมุสาวาดหรือสุราเมระยะมีผลทางจิตใจต่างกันไหมครับเหมือนกันแหละมันก็คำผิดเหมือนกันจิตก็จิตเหมือนกัน จิตของคาราวาจิตกับห้องผ้ามันก็จิตเหมือนกันกิเลตก็กิเลสเหมือนกันคําถามจากคุณลีเชียมฮุยนะคะกลาวเพียนถามพระอาจารย์ครับเมื่อนั่งสมาธิแล้วเกิดสภาวะปวดขามากก็ตามดูไปเรื่อยๆแล้วพบว่าเหมือนแยกตัวออกมาดูความปวดมีความปวดแต่ไม่รู้สึกทรมานแบบนี้คืออาการแบบไหนครับก็อาการอาการปล่อยวาง แล้วควรปฏิบัติอย่างไรต่อครับก็ควรปล่อยวางให้มันให้ได้จนชำนาญจนไม่กลัวความปวดอาว่ายังไงคอแล้อ้าวครับผมมีผู้ปฏิบัติทำในคอร์สปฏิบัติกรรมฐานนะครับผมเราให้ถือศีลแปดอันนี้เขาก็ถามว่าเขาหลังจากออกจากคอร์สไปแล้วเนี่ย เขาจะไปกอดลูกคือพูดปฏิบัติเป็นเป็นผู้หญิงนะครับก็บอกเขาออกจากคอไปแล้วเนี่ยเขาไปกอดกอดลูกชายเล็กๆเนี่ยได้ไห<ด> ม, มจะผิดศีลแปดไหมขอรับของก็ไปกอดทําไมทําไมต้องไปกอดด้วยมันความกอดมันก็เป็นความรักความไข้เราต้องการรักความรักความไข้ก็ไม่ต้องไปกอดให้มีแต่ความเมตตาก็พอดูแลเลี้ยงดูเขาให้ให้ให้เขาอยู่อย่างสุขอย่างสบายเรื่องของการกอดนี่เป็นเรื่องของการอารมณ์ ถึงแม้ว่าจะไม่ไปเสพกา ร, รนอนหลับด้วยกันแต่มันก็ยังเกิดความสุขจากการที่ได้ก่อนแล้วต่อไปเวลาไม่มีลูกให้กอดกจ็จะก็จะเหงาขึ้นมาเ mm hmm. ย่งนก็ไม่ควรถ้าเราอยากที่จะปล่อยวางความสุขทางร่างกายเราก็อย่าไปกอดอย่าไปหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสผดธพะ mm hmm. การก่อนนี่ก็เป็นการหาความสุขจากผดถพะการสัมผัส ข, ของร่างกายของกันและกัน ถ้าอยากจะถือศีลแปดอยากจะละกามะชันทะเราก็ต้องอย่าไปหาความสุขทางร่างกายคือปัญหาที่เขาถามกับผมนะครับผ ม, มเขาบอกว่าเขามาปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนนั้นเก้าวันนะครับผมเก้าวันพอกลับไปบ้านแล้วเนี่ย<ม>เขาบอกว่าอยากจะถือศีลแปดต่อเพื่อปฏิบัติธรรมต่อแต่ว่าพอเขากลับไปบ้านเนี่ยลูกลูกขึ้นตัวเล็กๆสองสามขวบเอง<ม>จะวิ่งมาเกอดแม่ ก็ตามปัญห า, น, านี้ครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเรารักษาไม่ได้ร้อยเปอร์เซน์กันแล้วกันเพราะว่าภาวะมันบังครับ <ห eger. S 1> ก็ดีกว่าไม่รักษาเลยคือยังรักษาข้ออื่นได้ก็ดีเช่นไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่ดูหนังดูละครไม่ฟังเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่นอนบนฟูกหนาๆก็ไม่เป็นไรเรื่องการกอดลูกตัวเล็กๆเพราะเราเป็นแม่เราก็ต้องเลี้ยงเขาอันนี้กอดด้วยสถานภาพกอดด้วยความจําเป็นอันนี้ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าก่อนด้วยอารมณ์อยากจะก่อนนี่ไม่ควรเหมือนกินกินอาหารเนี่ยกินแบบกิเลสก็ได้กินแบบไม่กิเลสก็ได้กินแบบเป็นธรรมก็ได้กินแบบเป็นธรรมก็กินตามเวลากินตามความต้องการของร่างกายถ้ากินแบบกิเลสก็กินมันตลอดเวลาอยากจะกินเมื่อไหร่ก็กินอย่างนี้เรียกว่ากินแบบกิเลส มันการกระทำมันกบ็บางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นกิเลสเป็นธรรมได้เหมือนกันแล้วแต่เหตุผลที่ของการกระทําเช่นเป็นลูกอ่อนแม่ก็ต้องอุ้มลูกเลี้ยงนมอะไรเงี้ยมันก็ต้องอุ้มต้องกอดกันเวลาลูกน้องไห้าก็ไปกอดลูกให้หายร้องไห้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นหน้าที่ที่จะต้องทํำไปแต่ไม่ใช่ว่าลูกก็โตแล้วไม่ต้องกอดก็ได้ยังยังต้องอยากจะกอดอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการอารมณ์นะ ถ้าเราอยากทำปฏิบัติเพื่อปล่อยวางเราก็ต้องตัดใจเสียไม่งั้นเราก็จะติดอยู่กับลูกถึงเวลาจะไปบวชก็ไปบวชไม่ได้เพราะยังอยากกอดลูกอยู่มันเป็นนิวร์หมดแล้วเหรอมีอะไรอ่อม า, าคุณนิกหน่อยค่ ะ, ะได้อีกสิบนาทีว่ามะระหว่างการพยายามรักษาสิ่งแปดและปฏิบัติโดยจิตยังไม่เข้าถึงความเป็นโสดาบันบุคคล กับการที่เรารักษาสิ่งห้าได้อย่างมั่นคงและปฏิบัติจนจิตจปฏิบัติจนจิตขอถึงเอาพรังตนาตรายเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตและถ้ามีโอกาสอํานวยจริงพยายามเข้าสถานปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาสิ่งแปอย่างนี้เพียงพอเทียบเข้าผู้ที่รักษาสิ่งแปดได้บ่อยกว่าเราอย่างนี้พอจะได้หรือไม่คะ ก็ทำไปก็แล้วกันรักษาศีลได้กี่ข้อก็รักษาไปอย่าไปต้องมาคำนวณกันว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากัน<ำ>รักษาได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเพราะศีลนี้จะปกป้องการกระทําที่ทำให้เกิดความเสียหายกับจิตใจหมดแล้วหดดเหรอ มีใครอยากจะรายงานก็รายงานได้นะว่าวันนี้เป็นยังไงเสียงมีข่าวพาอาจารย์จากคุณบารค่ะฝึกภาวนามาตั้งแต่เด็กตลอดระยะเวลาผมเห็นการเปลี่ยนแปลงคือจากแรกจิตก็มีความสุขจนตอนนี้เห็นอะไรก็เฉยไม่คิดตามเหมือนแต่ก่อนจนตอนนี้ <c oughs> หลายปีมีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่นอนจากที่เคยฝันจะไม่มีฝันครับเหมือนเหมือนกับตอนจิตสงบ และจะนอนได้แค่วันละสี่ชั่วโมงแล้วจะตื่นขึ้นมาเองการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เป็นผลจากการภาวนาใหม่ครับก็มีผลถ้าจิตมีความสงบแล้วมันก็จะคลายความอยากจะหาความสุขทางร่างกายลงไปมันจะมีความอิ่มใจสุขใจพอที่จะอยู่โดยที่ไม่ต้องหาความสุขต่างๆทางร่างกายได้มันก็จะลดการหาความสุขทางร่างกายลงไปตามลาดับ คำถามจากคุณอนุวัฒน์นะคะอยากขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยสอนการพิจารณาการสู้กับกิเลสการมาราคะหน่อยครับเวลาเห็นรูปสวยๆงามๆบางทีสติตามไม่ค่อยทันครับผมใช้วิธีรู้ว่าตัวเองแพ้ทางอะไรก็เลือกที่จะไม่ดูมันอย่างนี้ถือเป็นการหนีความจริงไหมครับเพราะจริงๆแล้วกิเลสการมาราคะก็ยังคงมีอยู่เต็มหัวใจคือการไม่ดูมันก็เป็นวิธีที่จะผ่อนคลายหรือลด การมาลมลงไปแต่มันไม่ทําให้มันหายไปการจะทําให้มันหายไปนี้ต้องหัดดูอสุภาพบ่อยๆดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายจนกระทั่งมันจําได้ติดเนื้อติดตาติดใจแล้วพอเราไปเห็นภาพที่สวยงามแล้วเราสามารถดึงภาพที่สวยงามมาทําลายมันได้มันก็จะแก้ปัญหาได้อย่างถาวรแต่ในเบื้องต้นก็ควรจะสํารวมตาไว้อย่าไปดูภาพที่สวยงามๆ พอเห็นแล้วมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็พยายามไปมองภาพที่ไม่สวยงามแทนพยายามไปหาภาพอสุภาพมาดูอยู่เรื่อยๆดูบ่อยๆดูจนะทั่งมันจําได้ติดตาติดใจหลับตาก็าเห็นลืมตาก็าเห็นแล้วเนี่ยพอเวลาไปเผลอไปเห็นภาพสวยๆงามๆขึ้นมาเราก็สามารถดึงภาพที่ไม่สวยมาลบล้างกันได้คําถามจ๊อก คุณคนกรุงค่ะเวลาเรานั่งสมาธิแล้วมีคําผุดขึ้นมาว่าทำที่ไม่แท้เป็นเครื่องกีดขวางการปฏิบัติควรเชื่อได้ไหมครับและแปลว่าอะไรครับถ้าเรายังไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็ปล่อยวางไว้ก่อนถ้าเราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้ว่าคําว่าทำที่ไม่แท้คืออะไรแล้วเราทําลายมันได้ก็ดีแต่ถ้าเรายังไม่รู้ยังเป็นปริศนารมอยู่ก็ให้รู้ไว้เฉยๆก่อน จนกว่าจะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาอีกทีถ้าไม่เกิดก็ช่างมันก็ถือว่ามันเป็นอนิจจังไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปคําถามจากคุณเพนค่ะมีคนบอกเห็นอสุภะมากมายและตั้งตนเป็นอาจารย์ผู้สอนมากมายมีวิธีพิสูจน์ว่าเขาเห็นจริงไหมเจ้าคะเขาจะเห็นจริงไม่เห็นจริงมันไม่ใช่เรื่องของเราต้องไปพิสูจน์ขอให้เราเห็นจริงของเราคนเดียวก็พอ ต่อ้คนอื่นก็เห็นจริงเป็นร้อยเป็นพันคนถ้าเราไม่เห็นจริงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรายันอย่าไปสนใจกับเรื่องของคนอื่นให้สนใจกับเรื่องของเราือยาวมากเขาไปยาวก็ข้ามไปก่อนเนี่ยข้ามไปก่อนแล้วเนี่ยครับแล้ววันี้หรือหรือจะลองอ่านลองกัาลองอ่านดูสิ ลองลองค้ำค่างไปดูเอาเอาประเด็นสำคัญสำคัญดูดดดถ้าใครได้ยินได้ฟังตอนนี้ก็ถ้าจะส่งรายงานมาเข้ามาก็ยังรับฟังอยู่นะอยากจะรู้ว่าเสียงไหมเสียงดังพอไหมเพราะวันนี้ใช้ไม่ตัวเดียวไม่รู้ว่าทางเสียงคนอื่นจะได้ยินมากน้อยหรือเปล่า แต่ถ้าไม่ได้ยินก็คงไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะว่ามันมีข้อจํากัดของมัน<ะ>อยู่ไงเดี๋ยวจะมีระบบใหม่ครับ ว, ว่าจาะได้ยินเลยลเอา่<ำ>อาว่าไปคำถามจากคุณพดาค่ะที่ฉันปฏิบัติมาประมาณห้าปีแต่ยังไม่เคยจิตรวมเป็นสมาธิจริงๆเลยค่ะแสดงว่าไม่ก้าวหน้าใช่ไหมคะแต่รู้สึกจิตใจเปลี่ยนไปทําบุญทําทานแบบไม่คิดถึงจํานวนเงินคิดแต่ว่าทําแล้วจิตใจดีขึ้นทําไม่ให้ทําให้ไม่ตระนี และจะจะระงับอารมณ์ต่างๆได้ดีขึ้นเกิดอุบัติเหตุแล้วเห็นจิตท like you so ี่หดตัวเข้ามาชัดเจนขอให้พระอาจารย์กัรุณาแนะนาการปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะก็ทาทานศีลภาวนาเนี่ยแหละทให้มันมากๆขึ้นไปตามกำลังของเราส่วนไหนที่เราทาได้มากก็ทำไปส่วนไหนที่เรายังทาไม่ได้มากพอก็พยายามทาให้มันมากขึ้นไป เห็นถ้าเราตอนนี้เราทําทานได้อย่างไม่ตนนันหนีก็แสดงว่าเราเก้าวหน้าในระดับของฐานเราก็มาดูการรักษาศีลของเราว่าเรารักษาศีลได้บริสุทธิ์กี่ข้อแล้วถ้าเราอยากจะให้จิตรวมเราต้องมีเวลากับให้กับการเจริญสติเราจะต้องมีที่วิเวกที่สงบที่ปราศจากสิ่งพผู้พานต่างๆเพราะถ้าเรามี รูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาประดังใจมันจะทำให้ใจไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสมันจะทำให้ตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ได้เราต้องไปปีกวิเวกอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสเพื่อที่เราจะได้สร้างสติขึ้นมาถ้าเรามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิก็จะมีการรวมของจิตได้มันก็อยู่ที่การสร้างเหตุของเรานั่นแหละ ตอนนี้ที่เรารวมไม่ได้ก็เพราะเราไม่เคยไปปีกวิเวกมังเราไม่เคยไปอยู่คนเดียวเป็นเวลา ย, ยาวๆนานๆพระบางรูปนี้ท่านบำบวดหลายปีกว่าจิตจะรวมนะไม่ใช่ว่ามันจะรวมง่ายๆหรอกัถ้ายังไม่รวมก็อย่าเพิ่งไปท้อแท้หลวงตาท่านเล่าว่าช่วงที่ท่านบวชหกพรรษาแรกนี้ท่านยังไม่ได้ปฏิบัติเต็มรูปแบบท่านยังเรียนปริยัติอยู่ท่านบเคยรวมเพียงสาครั้งเท่านั้นเองเป็นหปี ของชีวิตของการเป็นพระของหลวงตาเพราะท่านไม่ได้ภาวนาปีกวิเวกท่านยังต้องเรียนหนังสือท่านยังต้องไปพบกับคนนั้นพบกับคนนี้นอยู่ในวัดที่มีมีพระหลายๆรูปอยู่ร่วมกันมันก็เลยทําให้จิตนี้ต้องส่งออกไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆส่งออกไปที่หนังสือ มันก็เลยไม่สามารถดึงให้เข้ามาได้แต่ท่านบอกท่านภาวนาคือเวลาว่างตอนกลางคืนท่านไม่ต้องเรียนหนังสือท่านก็ภาวนาแต่ว่ามันเข้ายากกว่าจะเข้าได้นี่ท่านบอกท่านเคยรวมเพียงสาครั้งท่านเองหพรนสาแรกแต่พอท่านออกปฏิบัติแล้วทีนี้ท่านก็ปฏิบัติอย่างเข้มข้น น, นั่งโตลุ่งเลยนั่งตลอดรุ่งเลยจิต ก, ก็รวมลง นั้นมันต้องมีเวลาสร้างสติมีเวลาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงๆถึงจะทำให้จิตรวมได้อย่างสม่าเสมอถ้ายัางอยู่ในสภาพแบบของผู้คลองเรือนนี้อย่าไปหวังมากเลยถ้าได้ก็ถือว่าฟลุกหรือว่าเป็นบุญจริงๆเท่านั้นหรือเป็นบารมีเก่าที่เคยได้สร้างมาแล้วถ้ายังไม่มีนี่คิดว่าการเป็นคาราวานนี้มันห้อมล้อมด้วยนิวรณ์ต่างๆ มันไม่มีทางที่จะดึงจิตให้เข้ารวมไปได้หรอกงั้นอย่าไปอย่าไปกังวลมากเกินไปทําในส่วนที่เราทําได้ไปก่อนก็แล้วกันทําทานไปรักษาศีนหน้บริสุทธิ์ไปนั่งสมาธิไปเท่าที่เราจะนั่งได้รวมไม่รวมก็ไม่เป็นไรขอให้มันไม่ฟุ้งซ่านก็อยางถือว่าดีแล้วยังไม่รวมก็ไม่เป็นไรมีอีกไหมหมดแล้วครับพระอาจารย์ นะวันนี้ก็ให้ท่านที่ได้ติดตามถ้าอยากจะคอมเมนต์ส่งข้อความเลยมาก็ส่งเข้ามาทางทีมงานเขาจะได้รู้ว่าผลเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้พยายามปรับปรุงแก้ไขถ้าปรับปรุงไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าบางทีมันเหตุสุดวิสัยมันไม่สามารถที่จะทําได้ก็เอาเท่านี้ก็แล้วกันยินดีตามมีตามเกิด ดีกว่าไม่มีนะก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพิพจิตรพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด